นิทานภาษาคำว่านิทานก็คือเหตุเหตุที่มันเกิดมาแล้วนี่แหละชาดกพระองค์เทศนาเป็นคําร้อยร้อยกองเรียกว่าคาถาจัดเป็นคมภีหนึ่งนะในสิบห้าคำพีในขุทกานิกายนี่แหละก็คือขุทกกาปาฐาธรรมบทอุทานอิทธิวุตกาสุตานิบาตวิมานวัตถุเนี่ยเปตวัตถุเทริเทรคาถาเถริกาถาชาริกาและคณนิเทศปฏิสัมพิธามาร์กาประธานพุทธวงศและจริยพิดกเนี่ย ต ร, ตรงนี้ก็คือคือตรงเนี้ยที่มากล่าวตรงนี้ก็เพราะว่าเราจะไปสรุปร ป, ประเด็นเวลาเราจะไปสืบคน้นนี่ฝากให้คิดหน่อยก็คือการตั้งชื่อชาดกแต่ละชาดกนี่นะครับเวลาเราไปสืบค้นในด้านของออกว่าจากเป็นพระผู้มีพภาคเจ้าเนี่ยเราก็จะต้องสืบค้นพวกนี้แต่การอ่านชาดกเนี่ยหลายหลายคนก็อ่านแล้วจับประเด็นไม่เป็นพอจับประเด็นไม่เป็นเราก็ไม่เห็นนะครับ สิ่งที่เราจะเห็นนะครับว่าเอาชาดกนี่เป็นหลักปฏิบัติได้จริงไหมก็ต้องบอกว่าใช่หนึ่งอ่านอ่า น, านชาดกเนี่ยจะเป็นเหตุในการเพิ่มสัตตินรียครับเราจะเห็นศรัทธาของพระโพธิสัตว์สองก็คือเพิ่มวิริยนีย์เราจะเห็นตัวความเพียรของท่านจะเห็นสตินรียจะเห็นสมาตินรียจะเห็นปัญญาครับเห็นปัญญา ถ้าถามบอกว่าอินรีห้าพละห้า 5, โพชงเจ็ดอริยมารบีองแปดแต่นี้เป็นหลักอะไรเนี่ยโชดชาดกทั้งหลายก็คือเป็นการแสดงโพธิปักขีย์ธรรมแหละครับแท้จริงถ้าเรื่องราวเนี่ยถ้าเราถอดเนื้อความออกมาก็คือสภาวะธรรมนั่นแหละฉะนั้นตรงนี้พระธรร ม, มาทูตก็ก็อ่านอ่านเรื่องราวตรงนี้ก็ถอดอัดและพยัญชนะเนี่ยทั้งทั้งอัดและพยัญชนะเนี่ยก็ต้องถอดเนื้อหาคําสอนออกมาเห็นชัดว่าจริงๆแล้วก็คือว่า ศึกษาในยามที่เราทุกขใจในยามที่เราไม่มีกําลังใจในยามที่เราท้อถอยเนี่ยเราไปเปิดค้นในคัมภีร์ต่างๆเหล่านี้นะในทั้งชาดกทั้งในจริยาปีดกทั้งในคมภี์พุทธวงศ์หรืออระธานทั้งหลายเนี่ยมันก็จะเกิดกําลังใจขึ้นมาเนี่ยก็จะเกิดความตั้งมั่นในคําสอนของพระรัตของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับส่วนมากในนัทนะชาดกต่างๆก็นําชื่อของพระบริสัทที่ปรากฏอยู่ในชาดกนั้นๆแหละมาตั้งเป็นชื่อชาดกเช่น เสรีวานิชชาดกครับพ่อบริษัทธสวยพชาติเป็นพ่อค้าเชื่อเสรีว่าอย่างนี้เป็นต้นหรือจุรเศถิฐีชาดกก็พ่ะบริษัทธสวทพระชาติเป็นจุรเศรษฐีมหาโพธิชาดกก็ในปัญญาสานิบาศก็พ่ะบริษัทธสวยพระชาติเป็นพรามมะพรามณามหาสารอย่างนี้เป็นต้นเออตรงนี้ก็คือเหตุผลตรงนี้ก็คือว่าบางชาดกก็นำชื่อบุคคลที่โดดเด่นในด้านต่างๆมาตั้ง เช่นนรินิกาชาโดกก็กล่าวถึงพระราชธิดานริกาสเสด็จไปทําลายตบะของดาบของดาบทสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าหากว่าถ้าเราศึกษาเราก็จะเห็นนั่นแหละคือจริยาวัดในการที่ท่านบาเพ็ญพระบารมีคนที่สืบค้นในเรื่องนี้ค่อนข้างมากก็จะเห็นคุณของพระพุทธเจ้าชัดขึ้นนะครับจะเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชัดขึ้นทีนี้ปรเอิญมาพูดอย่างสรุปสรุป ผมก็เลยมากล่าวประเด็นตรงนี้ให้ใหพระธรรมทูตจะได้เป็นหลักข้อมูลในการที่เราจะต้องหนึ่งเพิ่มพูนศรัทธาตนเองวิริยะสติสมาธิปัญญาของตนเองและในขณะเดียวกันก็ได้เห็นพระจริยาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้ า, จาซึ่งทรงเนตเหนื่อยในอัตภาพต่างๆในการที่บำเพ็ญพระบารมีในการที่จะสั่งสมโพธิญาณเพื่อจะให้ได้มาในการที่ได้มาสัมมาสัมโพธิญาณซึ่งเป็นประโยชน์แก่มนุษย์โลกนะ เป็นประยโยชน์แก่มนุษย์โลกที่ตามปณิธานที่ท่านตั้งไว้นั่นแหละอย่างที่บอกว่าในกรณีที่ท่านเป็นในเตมิยชาดกในการที่ท่านบำเพ็ญอธิษฐา น, นบรารมีก็ดีหรือที่จะเห็นเด่นก็คือนเนคขม่า ก, ก็เด่นอธิษฐานก็เด่นอย่างนี้เป็นต้นแต่แท้จริงก็มีปัญญามีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเยอะถ้าเราไปอ่านไปศึกษา่านีก็จะเห็นชัดขึ้นนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่ท่าน ท, ท่านบํนบบบบาเพ็ญบารมีมานะครับแต่ตามตามจุดต่างๆสรุปก็คือว่าในชาดกทั้งหมดเป็นเรื่องที่กล่าวถึงการบํบเบราเพ็ญบารมีของพ่อบริษัทในชาตินั้ น, น, น <c oughs> บรารมีที่บําเพ็ญนั้นก็คือทานบรารมีศีลเป็นต้นจนถึงอุเบกขาบรารมีเป็นที่สุดเรียกว่าตั้งแต่ชั้นต่ําชั้นกลางแล้วก็ชั้นอุกฤษทีนี้ในการบํบราเพ็ญบารมีชาติหนึ่งๆเนี่ยม่ใช่ว่าจะบรรทรงบำเพ็ญบรารมีเดียวดังกล่าวแล้วเนี่ย แต่ก็บำเพ็ญบารมีค่อนข้างจะครบที่นี้ในยกตัวอย่างเช่นว่าเมื่อพระเวสสันดรประสูติไม่นานพระองค์กราบทูลมามานดาที่บอกจักให้ทานขณะมีพระชนมายุ8ปดพรรษาเนี่ยนะก็ทรงดำริที่จะบริจาคอาวัยวะทั้งหมดให้เป็นทานเป็นอัจฉติกาทานไปเมื่อสวยพระชาติแล้วก็ได้รับพระราชทานปยาช้างปัจจั ย, ยนาแก่พรามอางี้เป็นต้นนะถ้ารามองอย่างนี้ก็คือเป็นเป็นทานบารมีไป ในฐานะเป็นคารวาสพระเวสสันดรก็สมาทานรักษาเบญจศีลเป็นนิสและในขณะเดียวกันก็สมาทานอุโบสถศีลทุกวันอุโบสถกึ่งเดือนการบำเพ็ญอย่างนั้นก็จัดเป็นศีลบารมีไปทีนี้ในขณะที่ถือเพศเป็นดาบที่เขาวงกรดนะครับพระเวสสันดรก็ทรงอะไรลากามคุณอย่างเด็ดขาดบำเพ็ญบารมีโดยส่วนนี้อันนี้จัดเป็นเนกขมารบารมีนี่เราจะไล่รไล่ลำดับดูเราจะเห็นพระทานในบารมีของท่าน เห็นพระสนบารมีที่ท่านบำเพ็ญมาอย่างเนืองนิดเป็นนิจศีนเลยแล้วก็โดยเฉพาะอุโบสถศีลถึงแม้ศีลหของท่านไม่ใช่อยู่แค่ห้านะครับถ้าไปดูในศีลบารมีเนี่ยจะเห็นชัดเลยเนี่ยไม่ใช่อยู่แค่ห้าในด้านของจารีศีลของท่านในข้อปฏิบัติในศีลของท่านเนี่ยในการรักษาศีลของพระโพธิสัตวเนี่ยท่านมีหลักพิจารณาค่อนข้างค่อนข้างเยอะมากยกตัวอย่างเช่นนะ พระโพธิสัตว์ท่านพิจารณาว่าสัตว์โลกที่เดือดร้อนเพราะกิเลสทั้งหลายเพราะไม่มีการไม่มีเครื่องป้องกันเนี่ยเห็นชัดเลยเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเดือดร้อนเพราะทรัพย์เดือดร้อนเพราะอวัยวะเดือดร้อนเพราะการแตกแยกเดือดร้อนเพราะเป็นทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้เพราะไม่มีเครื่องป้องกันก็ไม่มีสารณะสารณะนในที่นั้นก็คือสัตว์เหล่านั้นไม่รักษาศีลศีลซึ่งเป็นตัวธรรมะก็เลยไม่คุ้มครองผู้รักผู้ปฏิบัติธรรมใช่ไหมครับเนี่ยสัตว์ไม่มีสารณะก็คือไม่มีศีล บางทีอยากจะขับเน้นพระธรรมทูตว่าถ้าถามบางทีเราบอกพุทธังธารนังกฉามีธรรมังธารนังกฉามีที่เราบอกโยมเนี่ยที่โยมก็คิดไม่ออกนะลองไปถามโยมดูทีใช่ไหต้องถามถามว่าจะ เ, เป็นจะมีสารณะอย่างไงเนี่ยบางทีก็มองออกไปข้างนอกหมดแหละมีใครสักกี่คนไหมคิดว่าศีลที่รักษานี่แหละเป็นสารณะเป็นเครื่องคุ้มครองเป็นเครื่องป้องกัน กระแสชีวิตของเขาให้ปลอดภัยจากอบัยภัยและให้ให้ให้ปลอดภัยจากทุกขในปัจจุบันนพบแล้วก็ทุกที่จะเป็นไปในเบื้องหน้าฉะนั้นเมื่อรักษาศีลไว้ศีลก็จะรักษาเขานี่คือสารณะนี่คือเครื่องป้องกันศีลนี้เป็นตัวเบียดเบียนทุกไม่เบียดเบียนทุกในกระแสชีวิตของเขาแล้วก็ทุกที่จะทำให้เขาตกไปในวะะัฏฏะอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับ เออตรงนี้ไปฝากให้พระธรรมทวดไปชี้ประเด็นให้ให้ญาติโยมไม่ชัด น, นะครับเพราะงั้นเดี๋ยวพุทธทางสนารนางังธรรมบงสารนัง ส, นานางสังขังสนารนังกระฉามนี่ใช่ไหมโยมก็นั่งตาเลยลอยกันเป็นแถวเป็นแนวอ่ะก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาระที่แท้จริงก็ไปนึกว่าอิดอิ ด, อ, ดอิดปูนมัง้งเป็นสาระน่าเะงั้นงนั้นก็ท่านอาจารย์เองนี่แหละเป็นสาระให้กับเราเองเลยว่างั้นเถอะ ก็ไปหาท่านอาจารย์พาคุยนั่นคุยนี้ฟังเทศก็ว่าไปเถื่อเถือๆกันไปเนี่ยนะครับยมก็ก็อยู่อย่างไร้จุดหมายดิตอนเนี้ยก็ไม่แข็งแรงนะครับฉะนั้นทำยังไงให้เขารู้เนื้อให้เจาะทะลุดทะลวงเข้าจริงยังไหมท่านอาจารย์ว่าอ๋อศีลที่เขารักษานี่ยนะเป็นธรรมมังสารนังกระฉามิและคนที่เป็นผู้บอกกล่าวศีลเป็นกฎความจริงของธรรมชาตินี่คือพุทธทางสารนังกระฉามิ ใครสามารถพัฒนากระแสะชีวิตของตนเองเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกศีนได้จนพัฒนาจากโลกยศีลเป็นโลกุตราชีนได้นี้เป็นสังฆังสนารนังขฉามิอย่างเงี้ยนะอ๋อสารณะทั้งหลายเหล่านี้เป็นเครื่องกําจัดภัยเป็นเครื่องคุ้มครองเราได้จริงๆอย่างนี้นะครับแต่ตรงเนี้ก็ทําให้เขาไม่ว้าวีว่โอ้ต่อไปเขามีสารณะแล้วถ้าอย่างนั้นจะยุ่งนะครับถ้าพุทธบริษัทไม่เข้าใจสารณะที่แท้จริงเนี่ย ไม่เข้าใจว่าศีลเป็นสาณะอย่างไรใช่ไหมเป็นที่พึ่งอย่างไรเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันอันตรายได้อย่างไรทีนี้รายละเอียดเยอะรายละเอียดมเยอะก็คืออย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเอาแล้วอย่างยกตัวอย่างอย่างนี้นะว่าเออไอตัวผมยกตัวอย่างปนาฏิบาตเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าโทษนะครับ การงดเว้นจากการฆ่าเป็นสารณะกับเขานะดูดูเนะี่ยหนึ่งด้วยอดีประสงของการรักษาศีลเนี่ยเป็นเหตุเนี่ยคว่าเป็นผู้มีความสมบูรณ์ในอัยวะน้อยใหญ่เนี่ยครับถามบอกว่าจากกุศลศีลนั่นแหละเมื่อเขารักษาดีแล้วเวลามาเกิดว่ากุศลศีลนั้นให้ผลก็เป็นเหตุให้เขามีความสมบูรณ์ในอัยวะน้อยใหญ่เป็นคนที่มีร่างกายสมบูรณ์ถึงพร้อมด้วยความด้วยส่วนสูงและส่วนกว้าง ก็คือความสูงก็ดูสง่างามความกว้างก็ดูสง่างามหน้าดูน่าชมหรือว่าความถึงพร้อมได้เชาไหวพริบอย่างนี้นะเออคนรักษาศีลนี่เป็นคนมีปฏิภาณเป็นดีเช่นศีลข้อแรกเนี่ยอ่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็ต้องบอกว่าอ๋อเพราะคนทำปานาฏิบาตเนี่ยถ้ากรรมนั้นให้ผลอายุสั้นไงครับแล้วก็มีโรคมากเป็นคนทุพพลภาพเป็นคนอ่อนแอ เพราะเหตุที่เราไปบดทศลายสัตว์ทั้งหลายอยู่เนืองนิดน่ยก็กลายเป็นคนอายุสัน้นมีโรคมากเป็นคนทุพพลภาพแล้วอ่อนแอแล้วก็เป็นคนเฉยชาใช่ไหมครับเวลาสัตว์เนี่ยมันปกตินะมันวิ่งไปไหนมันได้เร็วนะครับแต่ถ้าเราเอามีดไปตีไปฟันเขาเอากะ บ, บองไปทบเขาเอานา้ปืนผาหน้าไมา้ไปยิงไปตีมันเขาจะเฉ่ยชาลงทันทีไอ้กรรมตัวนั้นเป็นเหตุทําให้เรานะเนี่ยเฉยชากลายเป็นมนุษย์ก็กลายเป็นมนุษย์ที่มีเฉาปัญญาไม่เฉียวไม่เฉลียวฉลาดอย่างนี้เป็นต้น นี่เห็นไหมเพราะไม่ได้สารณะคือศีนนั่นแหละก็เป็นเหตุทำให้สัตว์นั้นเดือดร้อนเยนทุกวันนี้อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับประเด็นตรงนี้ก็พยายามต้องต้องให้เห็นว่าโอ้พระโพธิสัตว์ทําไมท่านขับเน้นเรื่องเหล่านี้ก็เพราะเป็นเป็นสารณะว่างั้นเป็นสารณะทีนี้พระบอกศีลคนที่ไม่มีศีลเป็นส่วนมากก็การที่ไม่บําเพ็ญศีลบารมีนี่แหละ ทำให้เราไม่อาจจะอยู่ในสุขในความจะมีความสุขในปัจจุบันชาติพระโพริสัตว์ท่านคิดอย่างนี้นะครับและชาติในอนาคตข้างหน้าก็ทําให้เราไม่ได้ที่ปรารถนาถามว่าคนที่ผิดหวังทั้งหลายเนี่ยคือคนไม่รักษาศีลตัวกุศลกรรมคือศีลไม่รักษาก็เป็นคนผิดหวังใช่ไหมครับเป็นคนผิดหวังมีแต่ได้รับการติเตียนขาดสติขาดสมัมปชัญญะไม่มีมิตรอย่างนี้เป็นต้นที่นี้ถามว่าพระโพธษสัตว์นเนี่ย ท่านบอกท่านเห็นอานิสงของศีลบอกว่าศีลเป็นน้ำล้างมนลทินเครื่องเศร้าหมองเอาศีลเนี่ยเป็นสภาวธรรมนะครับถ้าพูดถึงศีลเห็นไหมเนี่ยศีลมันไม่ใช่มันไม่ใช่วิมันไม่ใช่แค่รูปแบบรูปแบบแต่ศีลเป็นกลุ่มสภาวธรรมเป็นน้ำล้างมนลทินคือความโลภโกรธหลงเป็นต้นที่ไม่ไม่สามารถถูกกำจัดได้ด้วยด้วยน้าอย่างอื่น ถามว่าเจตนาศีลใะความตั้งใจในการที่จะไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติ ผ, ผิดในกรรมแล้วก็สามารถทําสภาพของกุศลกุศลศีลให้เกิดขึ้นในใจแล้วก็ควบคุมกายวาจาให้สะอาดให้หมดจดได้จริงๆตอนนั้นราคะก็ไม่กุ่มรุมโทสะก็ไม่กุ้มรุมใช่ไหมครับก็เป็นน้ําชําระล้างราคะโทสะโมหะศีลเป็นเครื่องประดับอันวิเศษของคนดีทั้งหลายไม่ทั่วไปกับเครื่องประดับของชนเป็นนันมากยกตัวอย่างเช่นว่าพวกสร้อยก็ดี มงกุฎต่างหูเป็นต้นเหล่านี้อันนี้เป็นเครื่องประดับภายนอกแต่ตัวกุศลศีลเนี่ยเป็นเครื่องประดับกายวาจาใจจะมีความงดงามเด่นชัดอยู่ในตนเองอย่างนี้เป็นต้นศีลมีกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วสารทิศพราะเหมาะเหมาะทุกการด้วยว่างั้นเห็นไหมว่าคนที่มีศีลเนี่ยฟุ้งไปทั่วความดีงามทั้งหลายเหล่านี้ศีลมีอํานาจยิ่งเพราะนํามาซึ่งคุณธรรมทั้งหลายและเ ท, เทวดาทั้งหลายก็กราบไหว้บูชา ถ้าถามบอกว่าเทวดากราบไหว้พระพุทธเจ้าพระทหารดศาวกทั้งหลายเลียศีล น, นะครับพนเพราะศีลนั่นแหละเออถ้าเราก็มองดูอ๋อศีลเนี่ยเป็นบันไดสู่เทวโลกทุกชั้นศีลเป็นอุบายบรรลุฌานด้วยถ้าไม่มีศีลฌานก็ไม่ได้ปฐมฌานเป็นต้นเนี่ยเลิกฝันเลยถ้าศีลไม่ดีก็ทําไม่ได้และพิญญาวิเศษศีลเป็นทางให้บรรลุพระนิพพานนะที่ว่าศีเลเลนนี่พู้ติงยันติเนี่ยนี่ชัด เป็นทางบรรลุเลยเป็นเป็นอริยมรรคแรกเลยที่ว่าศีลเนี่ยย่อลงมาก็คือศีลสัมมาวจาสมากัมมตะสมาชีวะนี่เป็นตัวกุศลศีลสัมมาวายมัสมาสติสมาสมาธิอันนี้ก็เป็นสมาธิสมาธิฐี่สมาสังกปะนี่ก็ปัญญาใช่ไหมครับฉะนั้นเป็นหนทางบรรลุพระนิพพานศีลเป็นที่ประดิษฐ์ถานของสาวกโพธิญาณปเจกับโพธิญาณและสัมมาสัมโพธิญาณเอาสิ ประเด็นก็คือว่าถ้าไม่มีศีลแล้วเนี่ยประรถนาจนปากปากฉีกถึงหูก็ไม่ได้ก็ไม่ได้บรรลุเป็นสาวกโทธิญาณนะครับก็ไม่ได้บรรลุปเจกับโพธิญาณก็ไม่ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณนี่ไงมีความสำคัญขนาดเนี้ยฉะนั้นศีลจึงมีความสำคัญมากอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าในกรณีอย่างเนี้ยศีลเป็นแก้วสารพัดนึกและ ต้นกรลประพฤกษ์เป็นต้นเพราะเป็นอุบายให้สิ่งที่ปรารถนาต้องสําเร็จได้พระเจ้าก็บอกดูก่อนวิสูตรทั้งหลายว่างั้นความตั้งใจของผู้มีศีลย่ำสําเร็จเพราะศีลบริสุทธิ์ก็หมายความว่ า, วาถ้าพูดโดยตรงเลยนะบอกว่าถ้ามีศีลและปรารถนาอะไรก็ได้นะคอยมีศีล น, นะปรารถนาเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิก็ได้ ปรารถนาเป็นมนุษย์เป็นจักรพรรดิเป็นเทวดาเป็นเท้าสก่าเป็นพรหมเนี่ยค่อยมีศีลเนี่ยแต่ต้องรักษาศีลเป็นนะไม่ใช่ศีลรูปแบบนะศีลที่สามารถทําให้เกิดขึ้นได้จริงกระตุ้นคุณธรรมไม่เกิดขึ้นได้จริงควบคุมกายกรรมวจีกรรมได้จริงเป็นไปกับควบคุมกายควบคุมวาจาและสภาพจิตไม่โลภไม่โกรธจริงพัฒนาไปสู่คุณธรรมเบื้องสูงได้จริงเนี่ยศีลเป็นบันไดเป็นฐานทําให้ได้ฌานให้ได้สมาธิให้ได้ปัญญาเป็นต้นได้ อย่างนี้เป็นต้นนั้นคนมีศีลปรารถนาอะไรก็ได้สาวกโพธิญาณเนี่ยปรารถนาได้เพราะศีลเนี่ยปัเจกับโพธิญาณและสัมมาสัมโพธิญาณทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยอันนี้อันนี้ศีลเ น, นี่ยศีลเท่านั้นแหละปรารถนาถึงจะได้ดูก่อนอานนท์พุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุหวังว่าเราพึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายภิกษุพึงเป็นผู้ทําความบริบูรณ์ในศีลทั้งหลายแล้วว่างั้น ถ้าต้องการเป็นที่รับเป็นที่เคารพของเพื่อนพรมบัมจันทร์ทั้งหลายก็ศีลนี่แหละจะเป็นที่เคารพดูอย่างนี้นะว่าถ้าถามว่าซับเนี่ยมาได้เพราะอะไรซับเนี่ยมาได้เพราะความไม่โลภนะครับก่มอโลภะทานนะค ร, นรับเนี่ยซับเนี่ยกมอำนาจอำนาจนี่มาได้เพราะอะไรมาได้เพราะความไม่โกรธ มีที่ปรึกษาที่ดีมีคนจัดแจงที่ดีหรือว่าโดยสํานวนก็คือว่ามีปรินายกแก้วที่ดีคอยจัดแจงให้มีผู้จัดการที่ดีมาคอยจัดสรรให้ตนเองไม่ต้องแค่ดํารินิดเดียวก็มีคนจัดแจงให้ดีนะ่ยมาจากอะไรมาจากปัญญาเห็นไหมความไม่โลภเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มของทานความไม่โกรธเนี่ยอยู่กลุ่มของศีลเพราะงั้นเดี๋ความไม่หลงเนี่ยไม่อยู่กลุ่มของปัญญาเพราะงั้น เห็นไหมว่าจริงๆกลุ่มที่จะเป็นตัวกระตุ้นที่จะเพิ่มคุ ณ, ณธรรมเก่าวคือบา ร, รมีทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ดูดิคนที่จนกันทั้งหลายนยคนโลภทั้งนั้นเลยคนไม่โลภเนี่ยเพราะว่าเขาสละทานเป็นเขาฉลาดในการให้ทานเขาสร้างเหตุปัจจัยนอกจากฉลาดในการให้ทานแล้วไมเพอนะให้ทานเป็นแล้วยังสามารถสร้างหรือลงทุนเป็นด้วยอ่ะสามารถที่จะทํำยังไงที่จะให้ผลของบุญให้ผลน่ย เปิดช่องให้บุญให้ผลเป็นด้วยเงีนื้ออันนี้คือความชาญฉลาดเนี่ยถ้าถามอย่างนี้นะว่าเออเอ้าดูเปรียบเทียบนะพระธรรมทูตเปรียบเทียบว่าพระเจ้ามหาสุทัศนะนะครับอันนี้กลับไปย้อนดูเมืองนี้แหละเมืองกุสาวดีในอดีตนี่แหละปัจจุบันเรียกว่ากุสินาราถ้าในปัจจุบันนี้เรียกกาเซียใช่ไหมเห็นไหม กุสินาราหรือในอดีตก็คือเมืองของพระเจ้ามหาสุทัศนะในท่านอาจารย์นะเอาถามว่าพระเจ้ามหาสุทัศนะเนี่ยมีอะไรบ้างแก้วเจ็ประการมีอะไรบ้างามีจับแก้วนะครับมีช้างแก้วมีม้าแก้วส า, สามชิ้นนี้รัตน์สามประการนี้อันนี้กลุ่มอํานาจครับนี่กลุ่มอํานาจจับแก้วในอํานาจเลยครับจับเนี่ย โยนไปในที่ไหนก็มีใครกล้าสู้ท่านน่ะช้างแก้วก็คือขุมกําลังนะครับกองทัพนี่เลยช้างแก้วม้าแก้วเนี่ยอ่าตอนนี้ไปกลุ่มอันนี้มาจากอะไรเนี่ยกลุ่มอํานาจนี้มาจากอะไรครับบุญมาจากอะไรท่านถึงได้ได้ตัวนี้มาความไม่โกรธงั้นคนยิ่งโกรธยิ่งหมดอํานาจท่านอาจารย์เวเป็นเจ้าว่าจําไว้ต้องไม่โกรธ ถ, ถ้าโกรธแล้วอานาจจะหมดลงทุกวันทุกวันทุกวันว น, นะ เออเป็นอย่างนี้ด้วยอันนี้หมายความว่าเออคนที่มีอำนาจปัจจุบันเนี่ยทั้งๆ ท, ท, ที่เขาขี้โกรธอ่ะมาจากเหตุ ด, ดีใดดีเท่านั้นเองแต่เขาทาลายเขาเองนะแต่ต่อไปในการต่อไปเขาจะสูญเสียอานาจหมดเลยเพราะคนขี้โกรธเนี่ยสูญเสียอํานาจหมดแล้วทีนี้เออมีนางแก้วนะครหาบดีแก้ ว, แ ก, วแก้วมณีคุณครังแก้วเนี่ยนะไอะขรหาบดีแก้วขรหาบดีแก้วก็ตัวนี้ก็คือพวกคุณครังอ่ะ นางแก้วก็คือนางที่เป็นพระมเหสีซึ่งเป็นนางแก้วในที่นี้ก็คือว่าเป็นรัตนะของประจำพระราชาใช่ไหมออนางแก้วเนี่ยจะมีคุณสมบัติว่าหน้าหนาวหน้าหนาวเนี่ยกายของเธอก็อุ่นหน้าร้อนกายของเธอก็เย็นเวลาเธอพูดออกมาเนี่ยก็กลิ่นอุบลกลิ่นอุบลหรือกลิ่นหอมๆก็ออกมาจากปากของนานเธอ แต่โดยสํานวนปัจจุบันนี้ก็คือถ้ามีนางแก้วมาอยู่ด้วยก็ไม่ต้องติดแอร์หน้าหน้าร้อนอน่ะเพราะงั้นนี่เป็นอย่างนี้เพราะงั้นแต่ถ้าหน้าหนาวก็ไม่ต้องติดฮีเตอร์ไม่ต้องติดเพราะงั้นร่างกายเธอจะทําทความอุ่นตลอดถ้าใครได้ภรรยาแล้วมันไม่ได้อย่างนั้นก็พึงขีดเออใช้ใช้ปูนขีดหน้าผากไว้นี่ไม่ใช่นางแก้วก็นี่แสงบุญไม่ดีก็ทําใหม่ก็สร้างเหตุปัจจัยใหม่เขาใจยัง <c oughs> อะไรนะถ้ใช่ก็สร้างเหตุง่ายมากการเป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิลองไปดูไปดูไปดูผลของพระเจ้ามหาสทัตนะท่านทำที่อะไรไหมเป็นเหตุทําให้ท่านได้นางแก้วนะท่านถวายบาทอัฐบริขารนี่แหละแก่พระที่แหละนี่พระเขาห้ามปราถนานางแก้ว <c oughs> เป็นเมถุนสังโยคฮะพระไปปรารถนาไม่ได้พระต้องปรารถนาพระนิพพานีไยไปปราถนานางแก้วออกมาทําไม mm hmm. ก็เหมือนก็ได้ <บา S 1> ได้อะไรเนี่ย <บา S 1> คือํานวนของพระเนี่ยเขามองเขามองคือคืออย่างนี้ถ้าอัตยาสัยของนักบวชเขาจะมองนางแก้วก็อุปมาเหมือนอะไรนะเหมือนถังอุจจาระ เองเป็นอย่างนั้นแหละใช่ไหมล่ะนี่นี่ที่คือนักบวชนะอ่ะตอนนี้ก็คืออย่างนี้ก็ก็ตรงนี้ก็ที่ที่พูดในปังตรงนี้ก็คือว่า น, นางแก้วถ้านางแก้วก็มีปกติหนึ่งตื่นก่อนนอนทีหลังนางแก้วเนี่ยก็อลองดูที่ใครมีคุณสมบัตินี้ไหมตื่นก่อนนอนทีหลังแล้วก็ไม่เคยพูดขัดใจเลย ไม่พูก็ไม่เคยพูดขัดใจเลยว่างั้นเถอะแล้วก็มีความงามนะมีความงามมากและในตรงนี้ก็เป็นเป น, นี่นี่คือนางแก้วที่นี้ส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือรัฐมณีแก้วคือแก้วมณี น, นั่นเองอันนี้กลุ่มทรัพย์หรือคณะบุตีแก้วเนี่ยคุ้นคลังแก้วเนี่ยพระราชาเวลาเขาทดสอบคุ้นคลังแก้วเขาทดสอบไงนะ ถ้ารู้ว่าตนเองเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิหรือไม่เนี่ยเข้าไปในภายเรื อ, เ, อเขาเนั่งนั่งเรือลงไปในแม่น้ำโรงั้นก็บอกคุณครังแก้วบอกว่าเราต้องการทซั์เท่านี้ขุนคลังก็จะใช้มือเนี่ยนะครับหย่อนลงไปในน้ําดึงขึ้นมานี่ได้ซัพย์มาเลยครับนี่ขนาดนั้นเลยครับนี่นีกลุ่มนี้กลุ่มทรัพย์กลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มซับนี่เห็นไหมว่าขุน ค, ครังแก้วแก้วมณีนางแก้วนี่มาจากอะไร มาจากอะโลพาคือความไม่โลภนะครับมาจากทานกุศลเนี่ยมาจากทานกุศลคือความไม่โลภเั้นความไม่โลภจะทําให้ยิ่งโลภเนี่ยซับยิ่งหายถ้ายิ่งไม่โลภเนี่ยซับยิ่งเพิ่มพูนนะครับทรับย์ยิ่งเพิ่มพูนอันนี้อันนี้นี่มุมมุ ม, มของคําสอนซึ่งมันขัดหลักในทางโลกทางโลกนี่เขาไม่เข้าใจในมุมแบบนี้กันเนี่ยอย่าแปลกว่าใจว่าทําไมในโลกใบนี้คนจนทันงเยอะเพราะมันจเจริญกุศลไม่เป็น ทีนี้เหลืออะไรแต่เนี้ยเหลือปรินายกแก้วปรินายกแก้วเนี่ยเป็นเป็นคนจัดแจงแทนพระเจ้ามหาสุทัศนาทั้งหมดสามารถรู้วาระ จ, จิตของคนได้ด้วยปรินายกแก้วเนี่ยชาญฉลาดมากสามารถที่จะรู้ว่าใครเป็นใครที่จะเป็นโทษต่อ Canton, พระเจ้าจักรพรรดิใครที่จะเป็นคุณต่อพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้ า, จ, าจัาจากรพรรดิจะจจ ท, you, ทําอะไรเนี่ยจะสามารถทําได้ตาม ตามพระราชประสงค์เลยไม่มีขัดใจเลยแม้แต่น้อยเลยว่างั้ย น, นี่มาจากปัญญาครับมาจากความไม่หลงมาจากปัญญาฉะนั้นความไม่โลภทําให้ได้นางแก้วทําให้ได้แก้วมณีทําให้ได้คุ้นคลังแก้วนะครับความไม่โกรธทําให้ได้กลุ่มกองทัพถ้านะนะก็ช้างแก้วม้าแก้วก็พวกจักแก้วปัญญาก็ทําให้ได้ปริญายกแก้วมีผู้จัดการที่ดีมีผู้จัดการที่ดีดาดสามารถที่จะมาจัด แจ้งในการที่ตามความประสงค์ขอ ง, ของท่านผู้นั้นได้เต็มที่นี่มองเห็นนีอยังถ้านนายกปัจจุบนนะันมาเปรียบเทียบถ้าคนเจริญความไม่โลภมามากกลุ่มนี้จะมีทรัพย์มากแล้วก็เห็นไหมเศรษฐีหมาเศรษฐีทั้งหลายจะมีทรัพย์มากเพิ่มพูนทําใช้ยังไงก็ไม่หมดถ้าความไม่โกรธมีกาําลังกลุ่มนี้อํานาจมากจะมีกลุ่มกองทัพมจะมีคุมกองกางําลังว่างั้นเถอะ เกิดมาก็ได้คุมกองกําลังเลยสามารถที่จะจัดการอัลิกฆ่าศึกศัตรูได้อย่างนี้เป็นต้นถ้ามองที่เห็นชัดนะผลกรรมในอดีต ด, ดีหน่อยแต่ว่าเขาไปทํากรรมชั่วก็หลายอย่างนะเช่นประเทศที่มีอาวุธเออเกี่ยวกันในเรื่องของปรมนูทั้งหลายเนี่ยเช่นอเมริกาเอยจีนเออแม้แต่อินเดียเออยเงี้ย น, นะกลุ่มนี้ยกลุ่มอานาจดีแต่ถ้าดูเรื่องเงินดีไหมทรัพย์ดีไหมก็ดูอย่างนี้ก็ดูอย่างนี้เวลาดูว่าผลกรรมของเขาให้ผลไหมในอดีตยังไง แต่ถ้าดูปัจจุบันกกรรมเนี่ยพวกนี้เขาจะไม่เข้าใจไงเหตุกับผลแต่ลกลุ่มว่าเขาคิดอะไรประดิษฐ์อะไรค่อนข้างชานฉลาดแรงต่างในกลุ่มอะไรเขามีคนจัดแจงดีๆในประเทศนั้นมีนักวิทยศาศาสตร์เก่งว่างั้นเธอะมีคนคิดค้นช่วยเหลือกิจการอะไรได้เก่งเนี่ยไอ้กลุ่มนี้ก็กลุ่มว่าปัญญาเขาเจริญมาจะเป็นปัญญาทางโลกทางธรรมอะไรก็ว่าไปแต่ถ้ากลุ่มทั้งเกิดไอ้ผ้าประเทศใดพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองนี่นะอันนี้ค่อนข้าง ความทรัพย์บ้างหรือว่าอำนาจหรือด้านปัญญาทั้งด้านที่จะเป็นไปต่อความพ้นทุกข์ดีอันนี้ก็มองอีกมุมหนึ่งอันนี้ก็ให้มองให้เห็นชัดนะว่านี่ไงว่านี่ไงว่าความไม่โลภความไม่โกรธและปัญญาเนี่ยเป็นตัวแรงกระตุ้นในการที่จะสร้างบารมีครับที่จะสามารถเพิ่มทานบารมีศีลบารมีเป็นต้นเหล่านี้ที่ให้มีกําลังว่าตัวไหนเดน่นตัวไหนเดน่นอย่างนี้เป็นต้น ตรงนี้พระโพิสัต์ท่านกับพิจารณาอ น, นิสงค์ของการมีศีลว่าดูก่อนอานุนศีลเป็นกุศลมีความไม่เดือดร้อนใจเนี่ยเป็นประโยชน์ดูก่อนก็นบดีทั้งหลายอ น, นิสงค์ของศีลห้าประการก็คือว่านั่นแหละอ น, นิสงค์ของศีลก็คือมีสุขติเป็นไปด้วพิจารณาศีลโดยความเป็นิมิตแห่งปีติสมานะตโดยความไม่มีการตีเตียนตนเองโดยการกล่าวโทษคนอื่นและก็จะพ้นจากภัยจากอัจฉริและทุคติ คนมีศีลก็ไม่ก็สบายใจน่ยไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกแล้วไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็แปลว่านคนก็สบายใจใช่ไหมทะลุตนเองรักษาศีลศดีแล้วเนี่ยก็อยกนอนหลับฝันก็มีความสุขตื่นก็มีความสุขไม่ฝันร้ายด้วยไม่ต้องสะดุ้งสะเตือนไม่ต้องไปกลัวภยัยใดๆจะตายเวลาไหนก็ไม่เดือดร้อนใจเนี่ยเขคนมีศีลเขาสบายใจอย่างนี้แหละเพราะงั้น ใช่ไหมท่านอย่างนักบวชนี่สบายเลยเนีย่จริงไหมท่านยายจริงไหมเนี่ยตายเมื่อไหร่ก็ได้หรือยังไม่อใช่แนะต่ว่าศีลน่ยต้องดูว่าเราศีลศีลเราบริบูรณ์แล้วเนี่ยถึงไม่กลัวไงแต่ถ้าศีลไม่บริบูรณ์กลัวเหมือนกันนะถ้าชําระยังไม่ทันขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นเอ้ละกับปัดหน้ากรลาดเงี้ยยุ่งเลยใช่ไหมล่ะลึก <c oughs> นะเอาพวท่านท่ า, าพาที่ประสงค์หรือพวกเราที่ได้บทม า, าที่จนมีถ้รจะทำอะไรเกิดขึ้นโดยบริบูรณ์สมบุนเป็นเพราะว่าเราได้คุณของศีที่เราได้รักษามาจากก่รบวนใช่ไหมครับ อ๋อคือคือตรงนี้มีมีสองสองส่วนนะก็คือคือในส่วนของลาบสกาลาทั้งหลายเหล่านี้ก็ดูสังเกตดูก็ต่างกันนั่นก็จริงแต่ที่สุดจริงๆก็เราก็มองอย่างนี้นะครับว่าที่จุดใหญ่จริงๆก็คือบุญของพุทธเจ้านะเป็นบุญของพทธเจ้าพทธเจ้าดูแลพวกเราได้แต่ประเด็นอยู่อย่างนี้อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเวลาเราเราได้รับอุปการะจากญาติโยมเนี่ย เออมีอาหารมาถวายมีจีวรมาถวายมีที่อยู่อาศัยมาถวายมียาเป็นต้นเนี่ยมันม า, มาดูแลอย่างสะดวกสบายเนี่ยเอ่อส่วนหนึ่งก็คือพระเจ้าดูแลเราอยู่แล้วเป็นผลบุญของพระเจ้าและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าหนึ่งด้วยการที่เรารักษาศีลนะครับพอรักษาศีลในตัวกุศลศีล ทั้งชั้นของทานกุศลชั้นศีลกุศลที่เรารักษาเนี่แหละตัวเจตนากรรมที่เรารักษานี่แหละก็ให้ผลก็ให้ผลทําให้เราเกิดความสะดวกสบายในเรื่องของปัจจัยหรือเครื่องอาศัยทั้งหลายเห็นไหมว่าจริงๆแล้วอะไรอะไรได้หลักการยิงศีลใครประทานพระเจ้าตัวศีลกลายเป็นพระธรรมเมื่อปฏิบัติตามนั้นเราต้องการจะพัฒนาจากความเป็นสมมุติสง่์เข้าสู่ความเป็นอริยสง่งอันนี้สรุปแล้วจริงๆอะไรคุ้มครองเรากันแน่ พุทธรัตนาะธรรมรัตนาเนี่ยเองแล้วก็ตัวกุศลศีนนะั่นแหละคุ้มครองด้วยการกระแสชีวิตของเราทีนี้ให้สังเกตดูนะว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้ามองเจาะว่าเป็นผลบุญของท่านผู้นั้นก็ได้นะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ถามมาเนี่ยใช่เป็นผลของศีลไม่ใช่แต่เกิดจากเจตนาความจงใจตั้งใจที่เราเราเราทำแต่ตัวเจตนาที่เป็นตัวกุศลหรือตัวกุศลศีลเหล่านั้นเนี่ย เป็นอริยทรัพย์ครับเป็นทรัพย์ของใครเป็นทรัพย์ที่พระเจ้าประทานให้พวกเราพวกเราท่านอุปมาว่าพวกเราเนี่ยเหมือนกับราชกุ ม, มารใ น, นท่านอาจารย์พระบรมศาสดาประดุดดังพระเจ้าจักรพรรดิทีนี้ตื่นขึ้นมาตอนเช้าพวกเราเป็นราชกุ ม, มารทีอ่อาจจะเป็นเด็กๆอยู่อย่างเงี้ยพระเจ้าจักรพรรดิก็ก็เรียกให้มากินอาหารเหมือนพ่อเรียกลูกมาม ทีนี้ลูกบางคนก็กินได้คำเล็กคำใหญ่ต่างกันใช่ไหมพ่อก็จะตักให้เหมาะสมแก่ลูกเมื่อเราได้กินได้บริโภคแล้วเราก็ได้อิ่มหนำสำราญอย่างนั้นแหละครับทั้นตรงนี้ก็มองให้เห็นให้เห็นชัดว่าการที่เราปฏิบัติตามพระธรรมนั่นแหละก็คือปฏิบัติตามพุทธโอวาทเพราะตอนนี้ศีลเนี่ยมาอยู่ในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าทําวินัยจักเป็นศาสดาใช่ไหท่านมหา เมื่อทำวินัยจะเป็น菩萨 า, าสดาตัวศีลกลายเป็น菩萨าสดาตัวสมาธิก็คือ菩萨าสดานั่นแหละตัวปัญญาก็คือ菩萨าตาสดาฉะนั้นถ้าประชุมศีลสมาธิปัญญามาอยู่ในตนอันนี้ก็แปลว่า菩萨าสดากําลังคุ้มครองป้องกันเราอยู่อย่างนี้เป็นตน้นเออถ้ามองเห็นอย่างนี้จะเกิดความทราบซึ้งขึ้นนะครับท้สรุปแล้วก็คือตรงนี้การที่เราปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญานี่แหละ ตัวศีลสมาธิปัญญาก็คุ้มครองรักษากระแสชีวิตของพระธรรมทูตแล้วก็ผู้ที่รักษาคูปฏิบัติโดยทั่ ว, วๆไปให้พ้นจากภัยในวายภูมิส่วนหนึ่งแล้วก็ต่อไปก็จะได้พ้นจากภัยในสังสารวัตด้วยอย่างนี้เป็นต้นเออก็จะเริ่มมองเห็นว่านี่ไงศีลมีอธิสงอย่างเงี้ยถ า, ามอาจารย์ต่ออีกเรื่องหนึ่งได้ตาเอ่อเรื่องของเอ่อเมืองกุศลวัดดีเพื่อทุทธนชนะเอ่อ เมืองกุฏิน า, าราับแล้วก็ไปเทียบกับเมืองพาราณสีคําว่าปรีปรีนายกแก้วอืกลับว่ามีพ่อค้าดีเมืองไหนมีพ่อค้าดีเมืองนั่นก็ไม่เทียมัมนมันจะเห็นได้ทัดเลยนะครับระหว่างในเมืองกุฏินารานี่ไม่เห็นมีชื่อพ่อค้าแต่ในพาราณสีเกี่ยวกับว่าอยู่ในประเทศแต่สมควร อ๋อก็คือว่าในในพราราณศีมีเศรษฐีว่างั้นเถอะแต่ในกุสีนาราไม่มีเศรษฐีบางที่จะจึงยงมาเทียบกับคาว่าปรีณาโยแกว เ, กเพื่อให้รูว่าเมืองไหนมีเศรษฐีมีมันสีก็จะเลื่อเมืองไหนมีนนมันสีก็จะเลื่อนอ๋อเข้าใจก็ อ, อย่างนี้ในในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยก็มีเมืองถ้าเราต้องบอกว่าพระราศีขออภัยที่กุสีนาราเนี่ยต้องถือว่าเป็นเมืองเล็ก ตามภาษาที่ท่านพันนลพูดแหละครับเมืองเล็กเมืองดอนเมืองกิ่งนครว่าั้นฉะนั้น <c oughs> ก็ถือเป็นเมืองเล็กเพราะความเป็นพันพันนลถึงทูลทัดทานว่าบรมศาสด า, าว่าอย่ามาปรินิพานที่นี่เลยขอให้ไปปรินิพานที่เมืองบาลนสีเมืองราชคลึหรือสาวัตถีหรือเมืองใหญ่ๆอย่างเงี้ยว่าไงเธอราชามหากษัตริย์นั้นจะได้จัดพระศพของพระเจ้าสมเกียรต ว่างั้นทำไมมาปัิจุนนี้านเมืองดอนเมืองเล็กเมืองกิ่งนครแบบนี้ว่างั้นไม่สมพระเกียรติก็อย่างที่ท่านอาจารย์ว่าเมืองนี้ไม่มีเศรษฐีใช่ไหมในยุคนั้นก็ต้องบอกว่ากลุ่มมัลลกษัตริย์เนี่ยเขาก็เป็นพระราชามาหากษัตริย์แต่ถ้าเทียบแล้วก็ไม่ใช่มหาอานาจไม่เหมือนฟ้านโกศนไม่เหมือนฟ้านมาคตหรือไม่เหมือนอย่างพระโบราณศีอย่างนี้เป็นต้นถ้าเมืองนี้ก็เป็นเมืองใหญ่ใช่ไหมแต่ทําไมพระเจ้าเลือกมาปัิจุบันนี้านที่นี่ พระพระมศาสดาต้องการบอกว่าเมืองนี้ไม่ใช่เมืองดอนมเมืองกิ่งนครหรือเมืองเล็กแต่เป็นเมืองใหญ่ในอดีตมีพระเจ้ามหาสุทัศนาเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองและมีถามว่าเศรษฐีใหญ่ที่สุดคือพระเจ้ามหาสุทัศนะนั่นแหละฉะนั้นทุกคนเศรษฐีมีเยอะแยะเบ็ดเสร็จเมืองนี้ไม่ต้องทำมาหากินเลยเนี่สรุปก็คือในชมพูทวีปในโลกใบนี้พระเจ้ามหาสุทัศนะเลี้ยงหมดเลยทุกคนไม่ต้องทำมาหากิน 84,000 ่ 84, ปีไม่ต้องทามากินอะไรเลยว่างั้นเถอะเมื่อท่านปกครองเมืองอยู่ 84,000 ปีแล้วท่านก็ไปเจริญฌานสมาบัติอยู่8ป0 0 0 0 0ปีแล้วท่านก็สอนอนาคตางั้นใน 84,000 ืีันปีเนี่ยท่านเลี้ยงดูปูเสือท่านมาเดินทา น, นบา ร, รมีศีลบา ร, รมีของท่านแล้วก็ปัญญาบา ร, รมีวิริยคันติฉะนั้นทุกคนเนี่ยอยากจะมาอาบก็คิดดูที่สระเกิดในเมืองนี้8 4ด0 0สี่พสระ วางั้นเธอมีสาเนี่ยแต่ละสาเนี่ยกว้างเป็นยอดยอดมีมีแถวตาเนี่ยนะเรียงรายเต็มไปหมดและที่ต้นตาเนี่ก็มีพวกไอ้ดนตรีมีระฆังคล้องอยู่ที่ต้นตาเนี่เนะเป็นตานเงินตานทองนี้เป็นต้นนะแล้วก็เวลาลมพัดมาก็มีเสียงปเป็นเป็นดนตรีเลยอะ่ะบรรดา น, นักเพลงสุราทั้งหลายก็มาสนุกสนานกันเนี่ยมาเต้นราพวกนักเต้นก็เต้นกันสนุกสนานกันว่างั้นเธอ ว่า ง, งั้นใครอยากใครดื่มดื่มอาบอาบอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนเนี่ยอยู่ดีมีสุขเป็นกันอย่างเงี้ยว่า ง, งั้นเถอะเป็นเมืองที่เจริญที่สุดรุ่งเรืองที่สุดอันนี้ก็เลยชี้ประเด็นตรงนี้พระพุทธเจ้าต้องการมาบอกมุมนี้ให้ดูว่าเมืองเนี่ยเป็นเมืองที่เจริญเป็นเมืองที่พระองค์มาบำเพ็ญบารมีก่อนเมื่อบำเพ็ญบารมีเบียเศแล้วพระองค์ก็จุติสวรรคตรแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกนี่เป็นต้นอย่างงี้งั้นเมืองนี้นถ้าพูดถึงในยุคพุทธเจ้านี่ต้องบอกเป็นเมืองเล็ก แร่พุทธเจ้าต้องการดึงอดีตไม่ดูว่าไอ้อเรื่องเมืองเล็กเมืองเจริญหรือไม่เจริญก็คือบัญญัติเนี่ยว่างั้นมันก็เต็นยุคเป็นสมัยใช่ไหมครับเป็นเรื่องปกติแต่ให้มองเห็นอะไรเนี่ยมองเห็นอ น, นิจจังครับอ น, นิจจังที่มันมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนตลอดเวลาของมันเนี่ยมันจะเป็นอ น, นิจจังขาขึ้นหรือขาลงแค่นั้นแหละว่างั้นเธอแต่ทั้งหมดเหล่านี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไหมครับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลากระแสชีวิตเป็นแบบนี้ นั้นชีวิตทุกชีวิตมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการเคลื่อนตัวมันเอย่างเงี้ยพระเจ้าจึงสอนว่าเนี่ยก็ลองคิดดูที่ตอนที่พระเจ้าปรินิพานเนี่ยพระสังฆเถระเจ 0,000 รลูกมาชุมนุมกันและยังมีพระติดตามอีกไม่นับแล้วภิกษุณีอีกเท่าไหร่อุบาสกอีกเท่าไหร่อุบาสิกายอีกเท่าไหร่คนหัวเมืองต่างๆก็พากันไหลมาในวันปรินิพานของพระเจ้าใช่ให้ตั้งบรมศพ อ, อยู่เจวัน แล้วต่อมาก็มาทําการตั้งแล้วก็ให้คนมาบูชาต่างๆบูชาพระศพผู้ทีเจ้าเจวันต่อมาก็ทํเาเผาบรมศพอยู่ที่มะกุูดพันธุ์อีก7วันใช่มล่เะเจ็ดวันแล้วต่อมาก็บูชาพระาธาตุอีก7วัน3721นั่นแหละ21วันแล้วก็ต่อมาก็มีการแบ่งพระบรมสารีริกาาธาตุนั่นแหละโดยโทนพามนั่นแหละ อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราก็ต้องดูดูเหตุการณม์มองภาพให้ออกปริมณฑลสามสิบโยดโยดแล้วสิบหกกิโลเมตรเนี่ยเนืองแน่นไปด้วยประชากรว่า ง, งานแล้วตอนนี้หายไปไหนนี่งไงอนนี้จังนี่แหละอันนี้จั ง, นนจงเป็นแบบนี้แหละว่า ง, งานเพราะเยาะเห็ยนนะันะฉะนั้นถ้าบอกว่าเออเป็นเมืองเล็กก็จริงอยู่แต่เป็นเมืองสําคัญที่พระเจ้ามา ปริญญาภานี่เมืองนี้แล้วก็เป็นเมืองที่เราได้มาอยู่นานด้วยใช่ไหมเนี่ยอันนี้หมายถึงชาตินี้นะแต่ชาติที่ผ่านมาไม่ทราบแต่ชาตินี้เราก็มาได้อยู่นานอยู่กันั้งสามเดือนใช่ไหมครับเ อ, อพอมาอยู่แล้วเนี่ยพุทธคุณวิ่งไหลเข้าสู่จิตใจทุกวันเลยไหมท่านอาจารย์เป็นงั้นไหมไม่อยากกลับบ้านเลยจะเดินจากกลับบ้านน้ำหมูน้ําตาไหลเลยเป็นงั้นไหมท่านอาจารย์เป็นไหม อา้าวมีใครถามปัญหานิมนต์ครับก็ขอถาวายความเ ร, รารพต่อนพระอาจารย์นะครับก็ได้ฟังสัมภารวิบากขององค์ระเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้านะครับแต่เมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้รับธรรมยากรจากพระพุทธเจ้าที่ปังกรแ ล, แล้วจากนั้นพระองค์ก็ทรงสร้างบา ร, รมี ต้องสร้างบรารมีมาเรื่อยๆอยากจะถามพระอาจารย์ว่าเมื่อพระองค์ทรงรู้ว่าสร้างบรารมีมาเนี่ยทําไมทําไมจึงต้องให้พระเทวทัศน์มาเกี่ยวข้องกับในชีวิตด้วยครับจะได้สร้างบรารมีแบบสบายๆแต่ต้องให้พระเทวทัศน์มาเป็น <S <S <S มานคอยผัดฝังทุกคนทุกชาตินะครับ <S <S <S เออจริงๆจริงๆคืออย่างนี้นะว่าเออท่านไม่ได้บอกนะว่าเออท่านเทวทัศน์ ผมจะสร้างบารมีนะท่านอย่าลืมไปขวางผมทุกชาติเนี่ยอันนี้นี่นี่นี่บริษัทไม่ได้พูดอย่างนั้นแน่นอนไม่ได้พูดอย่างนั้นทีนี้ประเด็นก็คือว่าพระเทวทัตท่านก็สร้างของท่านอย่าลืมนะพระเทวทัตเนี่ยท่านก็สร้างบารมีของท่านนะเพราะท่านพระเทวทัตเนี่ยท่านปราถนาเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าและท่านก็ได้รับพยากรณ์แล้วด้วยใช่ไหมในอัตภาพของท่านนะท่านจะเป็นพระปเจกพระพุทธเจ้ามีนามว่าอัตถิสาระดังที่ได้กล่าวแล้ว ถ้าถามมาว่าท่านในพบที่ท่านไม่เจอพระเจ้าเนี่ยท่านก็ไม่ท่านก็ไม่ค่อยได้บาปสังเกต ด, ดูดีพระเทวทัต น, นะแล้วพลังอํานาจท่านเหลือหลายจะสังเกต ด, ดูได้ว่าพระเทวทัต น, นี่ฉลาดมากแลพะพละงกาลังไม่ธรรมดายกตัวอย่างเช่นเกิดเป็นในพานโสนุดรเนี่ยมีกำลังเท่ากับช้างห้าเชือกนะครับมีใครบ้างครับมีกําลังขนาดนั้นในยุคเนี้ย มีแต่อ่อนแอกันนั่นเดินไม่ถึง2อกิโลก็ลิ้นห้อยกันนะกันใช่ไหมครับนี่คนที่มีกําลังขนาดนี้มาจากกุศลศีลครับกุศลศีลแข็งแรงเนี่ยเพราะการไม่ฆ่านี่แหละทาให้เป็นคนแข็งแรงทําให้สุขภาพดีนะครับทีนี้เพราะการที่เพราะการที่ท่านไม่รักทรัพนี่แหละเพราะรักษาศีลเป็นต้นนี้ดีนี่แหละเป็นเหตุที่ท่านมีทรัพย์ ท่านมีบุตรมีภรรยาที่ดีทั้งหลายเลยนี่ไม่แตกแยกก็เป็นเมื่ผลของการที่ท่านไม่ผิดศีลข้อที่สเป็นต้นเหล่านี้แล้วท่านพูดอะไรต่างมีคนเชื่อถือถ้อยคําเพราะการรักษาศีลข้อที่4ท่านก็รักษาศีลท่านมีสติปัญญาเพราะศีลข้อที่5ท่านดีอย่างนี้เป็นต้นแต่บางชาติเนี่ยด้วยการที่ท่านไปผูกอาฆาตไงครับท่านไปผูกอาฆาตบางชาติที่ท่านไปเกิดไปเจอเพราะบริษัท์ท่านสู้ไม่ได้ ไอคนเราเนี่ยมีทิฏฐิมานะนีว่าสู้ไม่ได้แล้วอาฆาตเลยจะตามล้างจังจองผาญเนี่ยคือปฏิวัติไปไปไปผูกอธิฐานผิดเข้าเนี่ยเขาเรียกว่าไปอาฆาตพยาบาทฉะนั้นพอไปเจอขึ้นมาอัธยาศัยเหมือนลองดูทีครับเนี่ยเอออย่าไปผ ม, ผมไม่แนะนําให้ไปลองนะคืออย่างเงี้ยอย่างยกตัว อ, อย่างเช่นว่าเราเราบวชเป็นนักบวช ด, ด้วยกันแล้วผูกใจเจ็บแล้วก็ไปตั้งใจว่านี่ก็จะตามเล่นทุกชาติเนี่ยโอ้โหเนี่ย ถ้างี้เสียหายนะครับเพราะทั้งๆ ท, ที่อัตภาพมันเปลี่ยนแต่ทั้งๆรูปร่างก็เปลี่ยนไปอัธยาศัยไอ้อัธาายออธาศัยที่ตั้งไว้มันไม่เปลี่ยนพอมาเห็นกระแสะชีวิตของท่านพวกนี้ทีไรมันงุดหงิดเอางี้ถ้าเราไม่เคยโกรธคนคนนี้มาเราเจอหน้าเราจะโกรธได้ยังไงถ้านไอเดดไม่เคยโกรธถ้าเราไม่เคยรักท่านพวกนี้มามาเจอปุ๊บปัจจุบันเรารักได้อย่างไรเป็นไปได้ไหมอยู่ๆมันรักเองบังเอิญเนี่ย มันเหตุบังเอิญมันไม่มีไงมาจากเขตปัจจัยครับแต่เราไม่รู้ว่าเราเคยไปทําอะไรไปเกี่ยวข้องอะไรกันมันถึงมามีรักมามีรุ่มหลงมามีเกลียดมีกลัวมีไม่อยากเห็นหน้าหรืออยากคบไม่อยากคบอะไรต่างๆเหล่านี้ยอันเนี้ยอธยาสัยที่มันฝังแน่นกันมาเนี่แหละมนุษย์ก็ไม่ทราบสาเหตุเพราะไม่มียานอย่างรู้อดีตถ้าใครอยากรู้ในทางพุทธศาสนาง่ายเลย ก็มาเดินเนี่ยนะมาศึกษาคําสอนพอศึกษาเบสเสร็จปุ๊บ ก, ก็มาเดินศีลมาเดินสมาธินะครับแล้วก็มาเดินวิปัสสนาญาณไอเรื่องเหล่านี้ก็ก็ชัดเป็นเรื่องง่ายๆนะไม่เรื่องง่ายๆไม่ใช่เรื่องลึกลับไม่ใช่เรื่องลี้ลับอะไรอะแต่ตอนนี้มันลึกลับลี้ลับสําหรับพวกเราเพราะไอเกียรสิสกรปรกเนี่ยมันเป็นตัวปิดครับเกียรสิสกรปรกมันปิดใจอยู่มันทําให้เราคิดไม่ออก วันใดวันหนึ่งนะครับเราชําระไอ้กิเลสสกปรกออกจากใจมันก็เหมือนน้ําอ่ะวันนี้น้ํามันขุนมันก็มองไม่เห็นปลามันก็มองไม่เห็นตะไคร่น้ํามันไม่มองไม่เห็นสัตว์ที่อยู่ในใต้ใต้ผิวน้ํานั้นแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเรามีเครื่องปั่นที่ดีมาปั่นน้ํามันใสสะอาดขึ้นมาไปเสร็จปุ๊บมันก็มองเห็นอดีตฉะนั้นประเด็นที่บอกว่าเออพระเทวทัตเนี่ยมาขัดขวางแท้ที่จริงก็คือกรรมนี่แหละเป็นตัวซัดมา พระเทวทัตท่านก็ไม่อยากจะทําอย่างนั้นนะืแต่ด้วยอาวิชาความไม่รู้นี่แหละว่างั้นทําให้ท่านคิดผิดถ้าไม่มีวิปริตมนุิการในการที่ท่านไปผูกอาคาตใครไม่ผูกไปผูกผู้มีคุณเข้าพระเทวทัตก็ยุ่งเลยเดี๋นี่เนะื้เออเออนี่ประเด็นตรงนี้แหละพอจะมองเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วก็คือว่าหนึ่งพระบริษัทท่านไม่ได้ปราถนาว่าให้พระเทวทัตตามตามตามรัมงควานท่านเพราะท่านการุณาพระเทวทัตมาก และท่านมีพระหมหากรุณาที่คุณแมแม้พบสุดท้ายอะ่ะใช่เออแม้แม้พบสุดท้ายเนี่ยท่านมีพระหมหากรุณาที่คุณอนุญาตให้มาบวชในาศาสนาของพระจิณเจ้านี่ประการแรกประการที่สองเมือม่อเมือ่อเมื่อบวชเข้ามาเวรเสร็จแล้วเนี่ยนะก็ใช่หมก็ศึกษาก็ให้ศึกษาอบรมเลยก็สอนนั่นเองก็แนะนำพระเทวทั์ได้ไนะได้อัธยาศัยเยอะ แต่ไอความโลภเก่าๆอัตยาศัยเดิมๆที่เห็นพระเจ้าแล้วทนต้องทําบาปนี่แหละก็พุ้งพุกพานขึ้นมาความอยากใหญ่อยากโตก็เกิดขึ้นมาอันนี้กิเลสแท้ๆนี่แหละฉะนั้นพระเทวทัศน์เนี่ยไม่น่ารังเกียจแต่กิเลสในใจท่านแหละครับไอกิเลสในใจนั่นแหละที่ทําให้ท่านต้องเสียผู้เสียคนเนี่ยแต่สิ่งดีของท่านก็คือว่าท่านได้รับพยากรท่านพ้นทุกแน่นอนอันนี้คือถ้ามองอย่างนี้ก็ ก็าน่ากระดุนาแต่ถ้ามองอีกมุมนึงเราก็จะเห็นอะไรรู้ไหมเห็นพระเทวทัตเนี่ยท่านท่านได้บรรลุแน่นอนไอ้ตรงนี้อ่ะเผอเพอเผออาจจะบรรลุก่อนพวกเราถ้าพวกเราประมาณใช่ไหมครับถ้าท่านหลุดจากเอเวจีเมื่อไหร่ก็ท่านก็รอดรอดพ้นน่นนะครับท่านท่านกระโลงโล่งแล้วครับแต่พวกเรานี่สิ ไม่แน่ถ้าเกิดเราไปลงเอเวจีที่หลังอายุเราก็นานกว่าท่านนะใช่ไหมอันนี้นี่เป็นเรื่องเออตอนนี้ตอนนี้เรามันประเภทที่เป็นอ น, นิจจายังไม่แน่นอนไงแต่ถ้าเราพลาดเมื่อไรขึ้นมาแต่ละคนตอนนี้ยังไม่พลาดแน่นอนตอนนี้ขณะนี้ยังไม่พลาดแต่ไม่แน่ลมให้ใจขาดแล้วจะพลาดตอนช่วงนั้นหรือไม่หรือก่อนหรือจากวินาทีนี้เป็นต้นไปเนี่ยใช่ไหมครับเราจะไปพลาดอะไรหรือเปล่าฉะนั้นตอนนี้ก็ก็ค้นหัวลุกอยู่ใช่ไหมอย่างเราเนี่ย มีมีใครจะถามอะไรเหลือเหอสามสิบนาทีอ้อาวยอมอยู่ข้างหลังว่างั้นท่านท่านอาจารย์อยากเห็นว่ายมอยากจะถามอะไรกันบ้างว่างั้นแต่แต่มีอยู่คำถามหนึ่งห้านถามว่าเมื่อไหรจะเลิก <c oughs> <c oughs> อ้าวยอมลองถามหน่อยทีเพื่อที่จะได้เป็นข้อคิดให้กับพระธรรมเมตทูตได้มุมมองได้วิธีคิดเออข้อใหม่หน่อยบางนะข้างหลังนั้นมีคนจะถามแล้วอ้าวของการถามว่าความจริงในโลกปัจจุบันเนี่ยครับจะที่บรรลุกันญาเพราะกระแสคาพูดหรือคำพิจิตรหรือคำติของคนรุ่นใหม่ที่พูดแต่เพียงเห็นโทษหรือกล่าโทษหรือประณามโทษโดยที่ไม่น้อมพรามาตรตนเนี่ยเป็นเหตุใกล้ในการบรรลุ เหตุใกล้ประจักรนธรรมในปัจจุบันไหมครับถามใช่ไหมครับ ท, ทีนี้จะให้อาจารย์เพิ่มแต่ว่าจะแก้บุญมรรคเศรความเห็นของผู้ที่เข้ามาดูจากธรรมะแบบเพ่งโคษจากโทษหรจากผิดแบบลบโลกแบบลงสลาใาจเพื่อที่จะให้ใกล้เข้าไปสึขขค่ความจริงอ๋อจริงๆเหตุที่จะไม่ได้บรรลุเนี่ยดังที่ได้กล่าวมุมที่ว่าในที่แรกก็ในยุคนี้เหลือสองบุคคลเนี่ คื อ, อ, อในญาติกระพธาปารมาที่ได้บอกไว้แล้วว่าท่านในญาติบุคคลเนี่ยท่านให้ระดมความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุทําไม่แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งไอ้คําว่าเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเนี่ยหมายความว่าอริยมรรคในเรายังไม่ถึงสักมรรคเลยนะนยบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุหมายถึงอริยผล มีโซดาปฏิผลเป็นต้นก็ยังไม่ได้บรรลุถ้าไม่แจ้งหมายถึงพระนิพพานของพระโซดาบันสกาทาคาเป็นต้นอันนี้แปลว่าท่านให้ระดมทั้งชีวิตออในชั้นของคําสอนเนี่ยท่านบอกว่าดังที่ได้กล่าวไว้ว่าหนึ่งให้ใช้เรี่ยวแรงและกําลังเรี่ยวแรงและกําลังก็คือเรี่ยวแรงกําลังของสัตทินรียเพิ่มให้เต็มที่วิริยินรีย์ความเพียรคือวิรยิยาเนี่ยตัวศรัทธานให้ออกจาก ความไม่มีศรัทธาให้เร็วที่สุดว่า ง, งั้นให้ทําลายอสัย์ทิยาความไม่มีศรัทธาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ให้เพิ่มให้อาหารของศรัทธาวิธีการออกก็คือหนึ่งเข้าใกล้เข้าใกล้ก็คือว่าเข้าใกล้คนที่มีศรัทธาว่า ง, งั้นเถอะคบหาสมาคมกับคนที่มีศรัทธาว่า ง, งั้นแล้วก็หลีกหนีจากบุคคลที่ไม่มีศรัทธานะว่า ง, งั้นแล้วก็ฟัง หรือฟังคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระดยส่์เยอะๆเพื่อเป็นอาหารจะได้เพิ่มคุณศรัทธาจะได้ออกจากความไม่มีศรัทธาแล้วก็ห่างไกลจากจิตด้วยนะที่ไม่ที่ไม่มีศรัทธาด้วยจิตของเราเองนี่แหละที่มันไม่ชอบศรัทธานี่แหละแล้วก็พยายามศรัทธาให้ถูกต้องโดยเฉพาะเรามาที่ถูกต้องก็คือในพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเหตุเหตุหนึ่งเหตุที่สองก็คือว่าออกจากโกศช้าคือความเกลียดค้าน โกศชาในที่นั้นคือโกศชาอากุศลความเกียจค้านความผัดวันประกันพุ่งว่าเรายังเรายังหนุ่มอยู่ว่างั้นเธอแม้เรายังมีภรรยอยู่เราป่วยมาแล้วเรากําลังเดินทางเรายังต้องศึกษาเรายังต้องเรียนเรายังเป็นพระธรรมทูตอะไรก็แล้วแต่เธนี่ยไอ้ที่ผัดวันประกันพุ่งอย่างเงี้ยก็เลยไม่ปฏิบัติไม่ขัดเกลาตัวนี้ว่างั้นฉะนั้นให้ออกจากโกศชาอากุศลเหล่านี้ให้หมดแล้วก็ น้อมเข้ามาในความเพียรหลักของความเพียรก็คือหลีกหนีออกจากจากคนที่เกียรติค้านถ้าคนที่เกียรติค้านไม่เจริญกุศลพยายามอย่าไปคบเพราะงั้นเธสมาแล้วก็เข้าใกล้คนที่มีความเพียรคนที่พูดเรื่องความเพียรคนที่ปรารบความเพียรเนี่ยเข้าใกล้แล้วก็ฟังคําสอนที่เกี่ยวกันในเรื่องของหรือใครควรในเรื่องของในเรื่องของสังเวคะวัตถุ สังเวกขวัตถุ ก, ก็คือพิจารณาเรื่องชาติคือความเกิดบ่อยๆชลาคือความแก่บ่อยๆพยาธิคือความตายมรณะเออพยาธิคือความเจ็บไข้มรณะคือความตายแล้วก็พิจารณาถึงโศกความล่ำไรรำพันทั้งหลายแล้วก็พิจารณาถึงโทษว่า ง, งั้นภัยนี่ภัยในวัตถุทุกในอดีตภัยเก่าวคือวัตถุทุกตานเวียนว่ายตายเกิดในอนาคตเนี่ยว่า ง, งั้นเธอแล้วก็ทุกในการหากินนะครับ ที่เกิดมาในปัจจุบันนะพ่อเนี่ ย, ต, นะยต้องมาหากินหาอาหารใส่ปากท้องถ้าเป็นพระเดี๋ยวก็ต้องถือบาทเช้าก็ถือบาทไปรับรับอาหารเพนก็ต้องถือบาทมาคอยรับนี่แหละทุกในการหากินนี่แหละว่างงั้นเถอะเป็นความทุกข์ไอ้ตรงนี้ให้พิจารณาโทษเหล่านี้เยอะๆแล้วก็โทษที่ต้องไปเกิดในใบภูมินะครับยังไม่พ้นวันเนี่ยตอนนี้โลภะเรามีโทสะเรามีโมหะไม่มีมันมีอยู่ในใจเราเนี่ย ไอ้สาเหตุเหล่านี้แหละแล้มันจะสามารถดึงกระชากล่าถูเราสู่ลงอใบยภูมิว่างั้นถ้าคิดอย่างเนี้จะสะดุ้งสะเทือนครับนี่ความเพียรมันจะเกิดถ้านวดให้เพียรทั้งหมดในเรื่องแรงและกําลังพยายามเพิ่มอย่าอยู่เฉยๆยอย่ามืนไปวันวนเนี่ยว่างั้นแล้วก็สติให้ออกจากมุตตสติไอ้มุตัสติถ้าแปลว่าการหลงลืมสติเช่นไม่ระลึกในพุทธคุณเลยปล่อยวันเขาเรียกสักแต่ว่าหายใจทิ้งไปวันวันภาษาท่านจะท่านใช้คําว่างั้น สักแต่ว่าหายใจทิ้งไปวันวันว่างั้นไม่ระลึกถึงคุณของพุทธเจา้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เพราะร ะ, ะลึกยากอยู่แล้วใช่ไหมวันวันหนึ่งเนี่ยได้มากแล้วเขไม่ค่อยได้คิดอยู่แล้วก็ระลึกยากอยู่แล้วฉะนั้นก็เลยปล่อยปะละเลยปล่อยชีวิตไปวันวันอย่างนี้ว่างั้นให้ออกจากมุธธตตสติอคศิแล้วก็มาเจริญสติวิธีการเจริญสติก็คือเจริญพุท ธ, ธ, ธานุสติเป็นต้นว่างั้นเธอเนี่ยเจริญสติปฐานเป็นต้นแล้วก็หลีกหนีคนหลงลืม อย่าไปครบเช่นถ้าจะเจอหน้ากันเนี่ยสมมติพระธรรมทวดเจอหน้ากันท่านอาจารย์วันนึงท่านอาจารย์ระลึกถึงพุทธคุณไหมถามก่อนเลยนะถามทําไมผมจะได้รู้ว่าท่านอาจารย์คนครบหรือไม่คนครบอย่างเงี้ยเนี่ยนะวิธีวิธีเจอหน้ากันก็ถามกันเลยหรือเจอยอมก็ซักก่อนเลยยอมวันหนึ่งยอมคิดถึงพุทธคุณกี่ครั้งทำคุณกี่ครั้งสังคุลกี่ครั้งบอกไม่เคยคิดเลยก็เริ่มตั้งก่อนสังเกตเดี๋ยวคิดถึงศีลบ้างไหมไม่คิด อาคิดถึงจาการนุสติแล้วลึกถึงทานไหมไม่คิดแล้ววันหนึ่งคิดถึงอะไรบอกคิดเรื่องงานเรื่องพ่อเรื่องแม่อันนี้บอกว่างั้นยอมไม่ใช่กัญยาณมิตรยอมนี่เป็นปาปะมิตรบอกงั้นนี่นะเนี่ยยมนี่เป็นปาปะมิตรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มมุตัสสติวันวันหนึน่งสักจะ ว, ว่าหายใจทิ้งหวังว่าจะถ้านอาจะพูดกันโดยสำนวนของภริยาก็บอกว่ามีชีวิตอยู่ก็คือคนตายแล้วครับเอาทำไมถึงว่าคนตายแล้วเอาจะต่างอะไรคนตายเพราะอยู่ได้ก็ไม่ได้กุศลเลยอะ ไอยู่กษัตริย์แต่ว่าหายใจทิ้งไปวันวันไม่ได้กุศลอะไรเลยเนี่ยอันนี้เขาเรียกไม่ควรครบเอ๊ะถ้าพูดอย่างนี้จะมีคนคบเยอะไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> มีไม่มี <c oughs> ยอมมีไหม <c oughs> วั น, ว, นวันหนึ่งคิดถึงพระทธเจ้ากี่ครั้ง <c oughs> สามครั้ง <c oughs> ประมาทนะสามครั้งนั่นนี่ก็กถามเอาโน้นเอาหลักมรณสติมาคิด หลักนั้นนะว่าเออหลักเดียวกันนะั่นแหละว่าคิดถึงคุณพระเจ้ากี่ครั้งว่างั้นเธอเนี่ยแล้วก็ห่างไกลจากคนที่หลงลืมสติสมาคมคบหากับคนที่มีสติเจอหน้าสมมติมาถามท่านอาจารย์ที่คอยดูแลโครงการเนี่ยท่านอาจารย์ฝึก เ, ออเวลาเจ อ, เ อ, อ, เ อ, อ คิดถึงคุณพระเจ้าบ่อยไหมโอ้โหผมคิดทุกขลมหายใจเข้าออกนี่รีบเข้าหาเลยนี่แหละกัละยาณมิตรอย่างนี้ไปตอนบอโอโ้เล่นทุกลมหายใจเข้าออกนี่หายากแล้วใช่ไหมไม่ใช่ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งผมคิดถึงสมเด็จวันละครั้ ง, ท, งทุกลมหายใจเข้าออกอย่างนี้โอ้โหอันนี้ไม่ใช่แล้วใช่ไหมไม่ใช่แล้วไม่มีนะไม่มีหรอกใช่ไหมอนุสติมีไหม มีการคิดถึงสมเด็จพุท ธ, ธาจาย์โตทุกลมหายใจเขออกไม่มีนะ่น้นไม่เป็นอนุสตินะครับทีนี้อย่างนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าฟังฟังเรื่องการที่จะปลูกเร้าสติครับอะไรที่จะทําให้สติจเจริญขึ้นในข้อที่สี่ก็คือว่าออกจากความฟุ้งซ่านนะครับความฟุ้งซ่านแล้วก็ ทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็ถ้าใครฟุ้งซ่านเะนี่ยถามมันไปนั่งคุยถามท่านอาจารย์ฟุ้งบ่อยไหมโอ้โหผมฟุ้งทั้งวันเลยอัน น, นี้ถ้าเราไปคบคนอย่างนี้เราจะไม่มีสมาธิจะไม่มีหรอกถ้ายิ่งไปนั่งคุยเขาเขาจะคุยได้ตลอดทั้งวันนะแต่ฟุ้งไปเรื่อยสงสัยไปเรื่อยฟุง้งฟุงไปทั่วมัวไปหมดแหละแต่ยังถ้าทำไปโทษเของไม่เป็นหรอกแหมบวชกันมาขนาดนี้แล้วสมาธิดีๆกันทั้งนั้นเนะ่ะใช่ไหม พ่งบ่อยไหมาอาจารย์อย่างเงี้ยนะแล้วก็สมาคมคบหากับคนที่ได้สมาธิวิธีเจอหน้าก็ถามกันนี้เขาถามกันว่าท่านอาจารย์ฝึกอานาปนานสติเนี่ยเห็นนิมิตหรือยังเนี่ยถามนะเห็นนิมิตหรือยังเอานิมิตเป็นยังไงนิมิตของท่านอาจารย์นะถามกันเวลาแต่แก็ไม่ไปคุยกันตั้วนะถามเป็นการส่วนตัวเอานิมิตเป็นยังไง เป็นนิมิตเหมือนกับลุงกินน้ำไหมเมล็ดอย่างกับควันเมื่อนิมิตอย่างกับดวงดาวดวงอาทิตย์ไหมอะไรต่างๆถามเนี่ยสีเป็นยังไงเป็นอย่างควันก็เป็นหมอกเป็นสีขาวแล้วพอได้นิมิตแล้วตื่นเต้นไหมอะไรถามกันเงี้ยเนี่ยถ้าอย่างนี้นะครอบครัวอย่างเงี้ย ไ, ได้นิมิตใจก็ตื่นเต้นใช่ไหมครับไปถามองค์นั้นก็ได้องค์นี้ก็ได้ลองคิดดูทีสมมติพระธรรมทวดทั้งสามสี่สิบรูปเนี่ยมานั่งแล้วทุกคนได้ปฏิบัติได้นิมิตกันหมดเลยเนี่ยผมว่า อีกองหนึ่งที่ไม่ได้เนี่ยอยู่ไม่ได้ครับต้องเร่งใหญ่ะตัวเป็นเกลียวหรว่าเป็นนอ็อตอยู่ไม่ได้หรอกใช่ไม้มเราโอ้โหถามใครใครก็ได้นิมิตไปที่ไหนเห็นนั่งเงียบกันหมดเลยใช่ไหมนั่งเจริญกรรมาฐานกันเป็นแถวเป็นแนวเลยเงี้ยโอ้โหไม่ไหวแล้วเนี่ยขงบอกอยู่ที่สิ่งแวดล้อมเห็นไหมครับและอย่างนี้ก็คือว่าคบท่านบอกว่าอย่าคบคนหลงคนไม่มีปัญญาให้คบให้หลีกหนีคนที่ไม่มีปัญญาสมาทาน ก็บคบหาคนที่มีปัญญาเอาปัญญาเรื่องอะไรเวลาเจอหน้ากันก็ถามเรื่องอะไรถามเรื่องพุทธคุณธรรมคุณสังกคุณเรื่องขันเรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องปฏิจจะว่า ง, งั้นเธอเรื่องเจริญทานกุศลอย่างไงเขาวิจัยอะไรดูเนี่ยโอ้คนอย่างนี้เข้าหาถ้าบอกว่าเออท่านอาจารย์ บอกว่าไอ้วันหนึ่งวันหนึ่งท่านอาจารย์วิจัยเรื่องบางนี้บางไม่บอกไ ม, ม่เวลาอะไรยังเป็นหนี้สลาการเรียนเยอะ น, นี่อันนี้ก็ดอนห่างๆหน่อยเหมือนกันอย่างนี้อย่างนี้เป็นตน้นอย่างนี้นะก็เนี่ยหลักตรงนี้แหละครับ น, นี่นี่หลักใงการที่บรรลุนะและอย่างหนึ่งก็คือว่าที่บอกว่ายุคเนี่ยทําไมต้องเพียรทั้งชีวิตเพราะเนยยาบุคคลครับกับปัทาปรมะท่านเนยยาบุคคลเนี่ยเป็นกลุ่มที่จะต้องเพียรเต็มที่ เมื่อศึกษาฟังแล้วฟังอีกแล้วไม่พอต้องใช้ชีวิตที่มีอยู่ทั้งชีวิตเพียรที่ใช้คำว่าเพียร30สปีดีกว่าไปตกนรกสามชั่วโมงครับเพราะไปจมในนรกสมชั่วโมงเราก็ไม่เจอภาษีเรียไม่ได่ในพุทธเาองค์ต่อไปอย่างนี้เป็นต้น อ, อย่าไม่ต้องพูดถึงการศาสนานี่ก็หมดขาดเลยเนี่ยทีนี้ทีนี้ประเด็นก็อยู่ตรงว่าเอาแล้วเราถ้าเราเป็นปัทประมะทาไง It, แปรยังไงคาว่าปะทะประมาผมอยากถามนักเรียนบาลีอย่เนี้ยเออท่นานอาจารย์ที่สอนบอาลีคําว่าปะทะประมะนี่แปลตามสำหรัแปลว่าไงได้ยางแล้วแปลให้ผมชื่นใจหน่อยด้ยแปลว่าไงปทะป ร, ะาประมานแปลว่า อ, อมีบทเป็นอย่างยิ่งแล้วแปลเอาเอาความหมายอ่ะแปลว่าอะไรนะ แปลว่าไงปลายเท้าที่เขีย น, นไม่ขึ้นเ <c ười> อ, อ, ออพุดด่งไปเย็นเลยเนี่ยท่า น, นท่านท่านมหาว่าไงปมบ ร, าารมานี่แปลว่าไงน้องช่วยแปลให้ฟังหน่อยทีนึงแปลว่าอะไรนะลองเอาอ่านกันที่เอาแล้วป่ายเท้า ผู้มีบทเป็นอย่างยิ่ ง, ง, งแล้วแล้วจะที่บายยังไงอะจะให้รู้ความหมายแปลว่าปลายเทา้าเนี่ยผมก็มึอนอยู่นี่เราปลายเทา้านี่นะเรืองแปลว่าไอ้กรณีผู้มีบทเป็นอย่างยิ่งแล้วแล้วบทยังไงเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะปัทภปรมาคืออย่างนี้ก็แล้วกันถ้างั้นพอจะได้มุมแล้วคืออย่างงี้เอ่อําว่าผู้มีบทเป็นอย่างยิ่งก็คือว่า คือมีเหตุในการที่จะเดินออกจากสิกขาสามได้ทุกเรื่องเวลาฟังเอางั้นเถอะสามารถที่จะไม่ปฏิบัติตามได้หมดเนะ่ะยกตัวอย่างเช่นว่าเออโยมเวลานี้ทําไมไม่เล่นข้นขวายในการจเจริญกุศลโอ้โหงานมันเยอะท่านก็มีเหตุแบบเนี้ยโอ้ไม่ได้เราตอนนี้กําลังรับผิดชอบอยู่รู้สึกว่าจะต้องทํางานช่วงนี้จะต้องไปเผยแผ่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะหรือว่าช่วงนี้โอ้โหเป็นช่วงที่กําลังก่อสร้างอยู่พอดีอย่าเงี้ย แล้วมันจะมีเหตุอะไรต่างๆที่สุดจริงๆไม่ไม่ ไ, มได้บําเพ็ญศีลคาสามว่า ง, งั้นเถอะมีเหตุมีเรื่องราวมีกติกามีข้อแม้ว่า ง, งั้นเถอะแล้วก็มีเรื่องว่าสงสัยลังเลอะไรต่างๆอีกเยอะแยะเบ็ดเส็จนี่ก็เรียกกลุ่มป a t h ป parama แล้แปลว่าผู้มีบทเป็นอย่างยิ่งก็คือว่าจับจับทางบอกมุมนี้ก็จะหลบหลบออกมุมนี้แต่ทั้งหมดเหล่านี้ก็คือไม่ปฏิบัตินะ ทั้งบทอะไรเนี้ยเอายอมทำไมไม่ให้ทานล่ะโอ้ยจะมัวให้ได้งไงท่านก็ยอมยังต้องทำมาหากินว่า ง, งั้นเถอะเอายอมทําไมไม่รักษาศีลไม่จะรักษาศีลได้ยังไงว่า ง, งั้นนะถึงคราวรักก็ต้องรักบ้างเลยท่านจะมัวรักษาศีลอยู่อดตายอะไรเงี้ยมันจะมีเหตุมีเรื่องราวอะไรต่างๆเหล่านี้ในการหลบหลบมุมว่า ง, งั้นเถอะพอจะมองเห็นนะน่ะนี่ผู้มีบทฉะนั้นมีอยู่สองกลุ่มนี่แหละกลุ่มที่มีถ้ามองอย่างนี้นะ เห็นได้ชัดก็เหมือนวสกาลาพรามเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนวสกาลาพรามงั้นอย่าว่าปทัทถาประมะไม่มีปัญญานะแต่ปัญญามันเฉโกเฉโกก็มันออกนอกทางออกนอกทางหมดไอตรงนี้นะเคยเห็นไหยคนกลุ่มเนี้ยยกเว้นเรายกเว้นเราจะมีเยอะไหม อย่างนี้ไตเอาเอาปดีจะหมดะจะหมดประเด็นแล้ว อ, อีกอีกปัญหาหนึงก็แล้วกันนะจะได้ต่อไปได้สรุปประเด็นโอเคปดีปธียมต่อใหม่ขืนนะครคราเขาจะถามถามหนึ่งเพิ่มก็ติดใจมานานคือพอเข้าโรคปรอบรมก็ธรรมะตู้เี่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโดยตรงนะฮะแต่ว่าก็เกี่ยวกับเรื่องพระธรรมกู้แล้วก็ เป็นพุทธพจน์ที่ได้ยินมาตั้งแต่วันแรกที่เข้าผสมทีเทศก็คือออะไรนะเจริญถาพิเกเวครับซึ่งตอนผมผมก็เพิ่งเข้ามาศึกษานะอย า, นนะากไป้นระวบาดเลยค <c oughs> ือมีความรู้สึกว่าถ้าคำาสอนนี้เนี่ยคำสั่งบท น, นี้เนี่ยเป็นมันก็บอกกับพระอรหันต์หรือเปล่า <c oughs> ใช่มีเก่า ทำนี้ที่อื่นอีกหรือเปล่านอกจากกับพระหานจบสรูปซึ่งถ้าเราเอาพุทธน์อันนี้มาฝ า, ากกับพวกเราก็ื่อธรรมพูดให้เราเก้าวไปโดยขนาดที่เรายังไม่ได้เป็นพระหานคือจะเป็นเป็นการใช้พุทธน์ที่ที่เหมาะสมหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะกลายเป็นเอาสิ่งที่ไม่ดีไปเผยแผ่หรือเปล่าถ้าถ้าผู้ออกไปเผยแผ่นั้นยังไม่ถึงท่านเป็นพระหาน หมือตอนรวมทั้งอาจจะเคยได้จินอ่านผ่านๆนะไม่แน่ใจนองที่เหมือนกับพร้ชหน่ก็คงมีพุทธพจน์ไว้ในหนองว่าเราต้องปฏิบัติให้ให้ได้ถึงนั้นก่อนถึงไปสอนคนอื่นอันนี้ก็เลยอยากกลับไปยนถามพี่อาจารย์ว่าเราควรจะมีหลักในเรื่องของการออกไปเผยแพร่ยัยงไง ร, รวมทั้งบางอย่างที่เราสอนญาติโยมเรื่องสมาธิก็ตามเรื่องสิ่งก็ตามบางครั้งบางเรื่องเราก็กําลังปฏิบัติถึงผลตรงนั้นอยู่แต่เราจะไปสอนเรื่องนี้กับโยมเนี่ย มันมองแค่ไหนยังแบบเก่าอืมคิดดูก่เออตรงนี้ตรงนี้ในตัวพุทธพจน์ก่อนนะครับในพุทธพจน์เนี่ยบอกว่าเจริถาพิฆเวยเจริกลางวหูชนะฮิตายะผูชนะสุขายะโลกาทุกขมายะเป็นต้นเออโดยโดยความหมายตรงนั้นก็ดูก่อนพิกษุนทั้งหลายประโยคนะนั้นคือเราเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์แม้เธอทั้งหลายก็เป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่ของเป็นของมนุษย์ ไอ้คำว่ า, าบ่วงในที่นั้นก็คือพ้นจากราคาโทสะโมหะที่ไปติดข้องในสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสบ่วงนั้นเป็นเป็นกับดักของมารใช่ไหมเป็นกับดักของมารเนี่ยถ้วท่านดูตรงนี้ก็คือดูอย่างที่พระรัฐธปาละตอนที่ท่านบวชนั่นแหละแล้วต่อมาก็ท่านกลับมาบ้านตอนนั้นท่านได้บรรลุแล้วนั่นแหละแล้วต่อมาก็ พ่อแม่ต้องการให้ศึกออกไปอดีตภรรยาเก่าภรรยาเก่า ก, ก็ต้องการให้ศึกออกไปเอาทรัพย์สมบัติเป็นต้นเหล่าเนี้เ อ, อ่ท่านก็เลยอุปมาให้ฟังบอกว่าจริงๆก็คือว่านั่นแหละคือบ่วงสีเสียงกินรสสัมผัสแล้วก็ธรรมารมทั้งหลายที่เป็นกรารมบกุณนี่แหละเป็นบ่วงถึงบอกว่านักบวชเนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้ก็คือว่าท่านมองอย่างนี้นะว่าหนึ่งมีกรณีที่เราไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะเราไปเกี่ยวข้องกับไป ท่านถึงบอกว่าตนเองไม่เป็นทุกข์ท่านบอกว่าอย่าเอาทุกข์มาทับถมตนที่ไม่เป็นทุกข์นะครับคำนี้ตนไม่ตนไม่มีทุกข์อย่าเอาทุกข์มาทับถมที่ไม่เป็นทุกข์ท่านก็ชี้ไปที่พวกไอ้าศาสนาเชนาศาสนาเชนเนี่ยตนเองไม่มีทุกข์หรอกแต่ชอบไปทรมานร่างกายตนเองโดยการที่ไปยืนอยู่บนขวากน้ำบ้างไปนอนแช่อยู่ในน้ําบ้างแก้ผ้าบ้างเลยนะ ว่า ง, งั้นเถอะไปทรมานเนี่ยตนเองไม่มีทุกข์แย่ทุกข์มาทับถมตนที่ไม่เป็นทุกข์นี่อย่างอุกฤตอย่างเป็นกลางก็คือว่าหนักไปกว่านั้นก็คือว่าตนร่างกายก็ดีๆแท้ๆเนี่ยว่า ง, งั้นเถอะแต่ตนเองไม่มีทุกข์อะไรแต่ชอบเอาบุหรี่เข้าไปเอาเหล้าเข้าไปเอายาเสพติดเข้าไปเนี่ยตนเองไม่มีทุกข์แต่อย่าทำตนที่เป็นทุกข์นี่อย่างที่สหรืออย่างที่สองไอ้ประการที่3ก็คือว่าเออมันไม่ได้ มีอะไรมากเดี๋ยวพอถูกว่านิดหน่อยอะไรนิดหน่อยก็เป็นคนเครียดง่ายโกรธง่ายคิดวกวนสับสนเอาเรื่องเล็กๆ น, น้อยๆมาคุ้นคิดมาวิตกมากังวลเรื่องยังไม่เกิดขึ้นก็วิตกวิจารณ์ไปตนเองไม่มีทุกข์เหย่าทุกข์มาทับถม 2. ให้สแสวงหาความสุขโดยชอบธทำก็คือความสุขที่เกิดจากการที่โดยชอบทำที่เป็นไปกับคําสอนอะไรต่างเนี่ยนะและประการที่3ก็คือแม้ความสุขที่ชอบทำก็ไม่หมกมุ่นมัวเมา ก็พอถึงตรงนี้ก็เลยบอกเออเนี่ยท่านก็เลยบอกว่ากลุ่มนักนักนักบวชที่ท่านละสิ่งเหล่านี้ได้เออท่านยังยังเกี่ยวข้องกับโรคยังเกี่ยวข้องกับสังคมอยู่เนี่ยเออเรายกตัวอย่างตรงนี้นะว่าถ้าเป็นพระจริงอยู่พุทธพจน์ตรงนี้ท่านสอนพระหันหกสิรูปถูกต้องเพราะท่านพ้นแล้วจากราคะโทสะโมหะที่กลุ่มรุมในใจแล้วท่านกับปะหานกิเลสเป็นสมุทเฉทะปะหานแล้ว แล้วท่านก็บอกว่าพวกเธอจงจารีกไปนะว่างั้นเธอว่าอย่าไปกันหลายหลายรูปเพราะว่าคนที่มีธุรีธุรีคือกิเลสในดวงตาเบาบางมีอยู่เขาจากเสียประโยชน์ถ้าไม่พบเธอว่างั้นเธอจงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นท่ามกลางในที่สุดให้บริบูรณ์นะว่างั้นให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนว่างั้นเธอให้ถึงพร้อมได้อัตถะและพยัญชนะว่างั้นแล้วก็ เขาจะได้ประโยชน์ก็คือจะได้จะได้ประโยชน์ในการที่ปฏิบัติตามคําสอนแล้วก็พ้นทุกอันนั้นเป็นเป็นการบอกเป็นประกาศคําสอนจริงแต่ประเด็นมันอยู่ว่าเอาถ้ า, าทุกวันนี้ทุกวันนี้พระอรหันเนี่ยน้องอีแม้เราก็บอกว่าจะบอกไม่มีก็ก็ก็ ก, ก็กระไรอยู่ใช่ไหมก็โดยส่วนใหญ่คือผุุ้ชนระว่างั่นเถอะแล้วเมื่อเป็นผุ้ดูชนเนี่ยจะไม่ประกาศศาสนาใช่ไหมไม่ใช่ ถ้าอย่างนั้นนะจบเลยนะครับนี่คําว่าประกาศศาสนาคืออย่างนี้ครับคําว่าประกาศนั่นหนึงน่งหนึง่งเราดูอย่างภาคสัชเชเห็นไหมครับภาคสัชเชีก็คือการปฏิบัติตามพุทธโอวาสแหละครับทีนี้การปฏิบัติตามพุทธโอวาสเนี่ยเดินตามศิกขาสามนั่นแหละในศีลในสมาธิในปัญญานี่แหละแต่ด้วยจารีศีลที่ท่านดันท่านกระทำด้วยการสํารวมอินทรีย์ที่ท่านทำด้วยการที่ท่านอยู่ในพระธรรมคําสอน แม้การจาลิกไปบินทบาทก็ชื่อว่าประกาศธรรมครับนั่นแหละเชื่อว่าอภิธรรมของพระเจ้าไปเผยแผ่ถามว่าในการบินทบาทนี่แหละพระเราเนี่ยบางทีอย่าอย่าไปหยุดการบินทบาทถ้าเป็นการหยุดการบินทบาทคือการหยุดประกาศศาสนาเลยนะครับฉะนั้นพระธรรมคำสอนของพระเจ้าเนี่ยอยู่ได้ด้วยการออกบิณทบาทครับเพราะการออกบินทบาตเนี่ยให้สังเกตเนี่ยนั่นแหละคือเอาพระธรรม พ่ออะไรพุทธเจ้าเนี่ยจะมีว่าปุปพันเหต์ปินฑปาตันจกักใช่ไหมครับเวลาเช้าเสด็จออกบิณธบาติสาญาณเหตธรรมเทศนังใช่ไหเพอสายสายก็เทศนาเนี่ยคือการออกบิณธบาตินี่คืออะไรทําให้สัตว์เขาได้เจริญกุศล 2. ได้ไปสนทนาพระธรรมครับเพระเอิญบิณธบาติในสมัยครั้งพุทธกาลไม่เหมือนกับปัจจุบันในตัณหาย น, นะบิณธบาติในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยเขาไปบางทีกว่าจะกลับ ไปเทศที่บ้านโยมเลยว่างั้นเถอะบางทีเนี่ยไปปุ๊บยอมก็รับบาตรนะครับโยมผู้หญิงก็ดีหรือกลุ่มนั้นเขาก็ไปจัดอาหารใส่บาตรกลุ่มโยมบางส่วนก็นั่งอยู่ตรงนั้นก็นิมนต์พระก็สนทนาพระธรรมเขาไปกันองค์บ้านเรองค์สององค์นี่ครับคือการประกาศาศาสนาแต่ทุกวันเนี่ยประเพณีบิณฑ บ, บาตเราเลยกลายไปเป็นแถวแล้วก็ไม่มีการสังเกตใช่ไหมตอนสมัยบครั้งพุทธกาลเนี่ยไปเป็นแถวไปห้าร0อยห ถ้ามีคนมานิมนต์จากพระเจ้าอ่ะขอสิบรูปขอยี่สิบรูปขอสิบห้ารูปบ้านนั้นเนี่ยพระก็จะไปไปไปกันนะครับบิดาบาทยันจะนูนยันกบจะเที่ยงเงยอย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละคือการประกาศศาสนาฉะนั้นพระเนี่ยถึงจะเป็นบุรุษชนแต่ประเด็นอยู่ตรงไหนอยู่ขอยพระเนี่ยรู้ารรู้คำสอนประเด็นตรงนี้ที่ที่ท่านถามมาเนี่ยดีตรงที่ว่า ถ้าเราไปสอนผิดเนี่ยไอ้ตรงนี้เป็นการหักตรานคำสอนเลยครับก็คือเอาคำสอนพทธเจ้า ว, ว่ายังไงตามตามนั้นตามนั้นแหละตามคำสอนที่ทตามพุทธพจน์ที่ว่ามานั่นแหละนั้นจะจะเหมาะแั่การทุกการน่แหละครับเพราะท่าพระธรรมของพทะเจ้าเป็นอากาลิโกอยช่ไหมเออขอไปพระธรรมคำสอนของพทธเจ้าเนี่ยเหมาะทุกยุคทุกสมัยไม่ใช่เป็นล้าล้าสมัยอย่างที่เข้าใจหรอกแต่เพียงว่าเรา เราไม่ได้พยายามสื่อให้ยอมเข้าใจเองแล้วก็ถ้าพูดกั น, นโดยตรงก็คือพระยุคเนี้ยละเลยละเลยกิจของพระเจ้าถ้าบอกว่าพระธรรมวินัยจะอยู่เป็นศาสดาใช่ไหยพระธรรมวินัยบอกว่าให้บินทบาทเป็นวัดบ้างให้ถือการบินทบาตบ้างก็นี่ไงพระศาสดานะั่นแหละจริงๆแนละ้วไปบิณทบาตเนะ่เพราะที่ท่านไปหรือพระที่ไปบินทบาตเนี่ยไปด้วย ดำเนินไปตามเสขียวัตรแล้วก็ตามจารีศีลไอ้ตามตามตามขันทกวัตรมหาวัดที่บอกไว้ว่าเวลาบินาบาตเนี่ยสายตาทอดมองยังไงว่างั้นเธอมองในบาทเวลาโยอมใส ย, ยังไงแล้วก็มนานสิกานยังไงเวลายมนั่งอยู่จกไม่แสดงธรรมถ้าโยมไม่ป่ว ย, ยงี้ไปต้นนี่ก็หลักหลักแห่งการที่บิณาบัตนะในวัดในการบิณาบาตนั่นไงที่เราทําตามข้อวัดปฏิบัติที่พระศ า, าสดาบอกไว้ตรงนั้นจะเป็นกุศลศีล เมื่อกุศรศีลอยู่ในใจก็มาควบคุมกายวาจากับพระรลูบนั้นอันนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพระบินทบาตแต่พระธรรมวินัยนั่นแหละบินที่พระธรรมวินัยคือใครคือพระาศาสดานะครับฉะนั้นการบินทบาตคือพระาศาสดานั่นแหละออกประกาศคําสอนและเราก็กล่าวคําสอนโดยธรรมะใช่ไมท่าท่านท่านมหานี่ไงฉะนั้นพระอย่าหยุดการบินทบาทนะครับการบินทะบาตเนี่ยบางครั้งไม่ต้องไปประกาศอะไรเลยก็ได้ความงามแล้วครับ ญาติโยมก็จะได้เห็นจริยาวัรของพระแล้วก็น้อมไปถึงจริยาวัดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอย่าลืมนะว่าข้อปฏิบัติการบินทบาตของพระเนี่ยสองพันกว่าปีแล้วหรือชุดเนี่ยสองพันกว่าปีแล้วถามมีชุดไหนบ้างครับเป็นอมตะไม่มีหรอกนั่นการเอาชุดนี้ออกเผยแผ่เนี่ยสองพันกว่าปีใช่ไมจริงจริงอะ่ะ ถ้าผมไม่อยากลงนันลงน่าจะลงดินเนสบุกที่จริงก็ไม่น่าใช่มันยิ่งกว่าจะลงได้ซ้ำไปจริงๆแล้วเนี้ยนี้นี่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีไม่มีชุดไหนฟอร์มไหนที่ยืนยาวมาถึงขนาดขนาดขนาดปัจจุบันนี้ได้แล้วต้อง2000กว่าปีแล้วการบินธบาทข้อปฏิบัติก็มีมาจนส0งพกว่าปีหลักคําสอนก็มีมา 2,000 กว่าปีอย่างนี้เป็นต้นงั้นถ้ามองงนี้ก็จะเห็นนะว่านี่ไงภาษาสดาแหละ คําว่าปุบพันเหปินทปาทตันจ่าเช้าบินทบาทสายันเหรธรรมเทศนางเอาเอาพระเทศนาก็คําสอนก็พระธรรมวินัยนั่นแหละจะผ่านจะปากท่านผู้ใดไม่ไม่เกี่ยวแต่ขอให้เป็นธรรมวินัยจริงๆไม่มีการดัดแปลงนั่นแหละพระศาสดากําลังทํากิจของท่านนะพระศาสดากําลังทํากิจนี้พระธรรมวินัยกําลังไหลเข้าสู่กระแสจิตใจนี่นี่การประกาศศาสนานะครับฉะนั้น ไม่ใช่แต่เฉพาะพระอาหารหันต์เท่านั้นจะประกาศศาสนาแม้ภิกษุบวชใหม่สมณเณนบวชใหม่ที่เดินตามข้อวัดทั้งหลายพระธรรมวินัยกําลังรักษาเชื่อประกาศศาสนาทั้งหมดแม้รวมไปถึงอุบาสกบาสิกาแต่ต้องปฏิบัติถูกด้วยนะถ้าอุบาสกปฏิบัติผิดอุบาสิกาปฏิบัติผิดก็ไม่เรียกประกาศศาสนาถ้าไม่เรียกก็คืออะไรก็ทําตรงข้ามกับพระศาสนาก็ทําลายนั่นแหละเพราะงั้นเถอ ก็คือทำลายนั่นแหละแต่เราไปพูดคำนั้นก็เดี๋ยวจะไปบอกว่าเม้ท่านพูดแรงไปก็มันทำไม่ตรงอะ่ะทำไม่ตรงก็คือหักล้างหักล้างคำสอนใช่ไหมล่ะนั่นตรงนี้ก็มองให้ออกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระทำคำสอนของพระบรมศาสดาไหลยอยู่ตลอดไหลยอยู่ในกระแสชีวิตของพุทธบริษัทตลอดแต่ว่าท่านผู้นั้นจะเข้าใจแค่ไหนบางครั้งอาจจะไหลเป็นระยะ หยุดเป็นระยะก็แล้วแต่แต่บางท่านที่เขามีความเข้าใจอย่างต่อเนื่องและสามารถเอาพระธรรมคําสอนพระเจ้าเนี่ยมาไหลในกระแสชีวิตอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งเวลาหลับเวลาตื่นนะครับอันนี้พระธรรมหรือภาษาสดาพระธรรมวินัยก็จะเป็นภาษาสดาก็จะประกาศคําสอนอยู่ทุกขณะเทวดาก็ชมผมก็สรรเสริญใช่ไหมครับถ้าอย่างนี้เราก็จะมองให้เห็นว่านี่ไงเป็นอย่างนี้ทีนี้ ประเด็นก็คือว่าในพูดตัวพุทธพจน์บอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพทั้งที่เป็นของมนุษย์เราในที่นั้นคือพระตถาคตคือพระพุทธเจ้าท่านพ้นแล้วแปลว่าท่านละกิเลสเป็นสมุทเฉทประหารแล้วแม้พวกเธอคือพวกเธอ60รูปก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพทั้งที่เป็นของมนุษย์อันนี้นี่เป็นไอ้ก็เป็นเป็นองค์การนะของพระพุทธเจ้าที่ประกาศประกาศ หเอาพระอรหันต์60รูปเป็นประธานจริงแต่ก็รวมหมดนะครับรวมเป็นพระอรหันต์พระอนาคาพระสกท า, าคาพระโสดาบันแม้ปุถุชนว่างั้นแต่แต่ว่าใครทําได้แค่ไหนว่างั้นทําได้แค่ไหนที่เป็นไปนไม่ได้เมื่อเข้ามาอยู่ความเป็นพุทธบริษัทแล้วเนี่ยพระธรรวินัยจะไม่ไหลในกระแสะใจแล้วก็ไหลในในในใ น, ในเดินในกระแสะชีวิตทันบุญ น, นั้นตราบใด ถ้าทำวินัยไหลในกระแสชีวิตของท่านผู้ใดเชื่อว่าปฏิบคือศีลสมาธิปัญญาได้จุดขึ้นแล้วแต่บางทีอาจจะดับเป็นระยะจุดใหม่เป็นระยะอันนั้นก็แล้วแต่คนนะแต่ถ้าเป็นพระอริยะพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านก็ออกคงที่นะครับเป็นผู้ของเป็นตาทีบุคคลแล้วเป็นผู้ที่คงที่แล้วนั้นตรงนี้ก็คือว่าถ้าถามมาว่าตัวพุทธพทธจน์จริงๆเป็นปฐมองค์การตรงนั้นน่ยใช่บอกให้พระอรหันต์ไหมจริงอย่างที่ท่านว่างจริง ทีนี้ถ้าถามบอกว่านอกจากพาาระอรหันยังต้องทําจิตในการประกาศศาสนาไหมต้องทําเพราะอะไรเป็นหน้าที่เลยนะครับเป็นหน้าที่ที่ต้องทําที่บอกเป็นหน้าที่ที่ต้องทําแล้วก็เป็นถ้าไม่ทําเวลาใดก็แปลว่าความเป็นพระความเป็นอุบาสกความเป็นบาสิกาก็ไม่มีเพราะพระธรรมวินัยจะต้องหล่อเลี้ยงในกระแสชีวิตของพระภิกธสูของอุบาสกของอบาสิกากอย่างต่อเนื่อง เพราะพระเทวินัยก็ขัดเกลารไงขัดเกลาทํทำให้ชีวิตนั้นน่ะรอดพ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองแล้วก็เดินเดินตามคำสอนของพุทธเจ้าที่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้นะครับพอพอจะชัดเจนไว้ทีนี้มีมีประเด็นไหนที่ที่ยังยังตกหลดมีมีมีไหมครับอีกอีกคำถามมีนะครับหมดแล้วหรือเอออันนี้หมดเนี่ หมดแล้วเนะเอาตอนนี้ก็พอดีก็ผมก็ใช้เวลามาหลายวันนะครับที่จริงก็คือตั้งใจตั้งใจจริงๆก็อยากจะสรุปทั้งหมดก็ก็ก็ไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะครับคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยปกติผมมาบรรยายทุกปีก็โดยมากก็จะเป็นลักษณะนี้ยไม่ทันจบสักทีก <c oughs> ็ ก็ดีแล้วการบรรยายไม่จบเนี่ยมันดีตรงไหนไหมท่านอาจารย์มันดีตรงไห น, นรไหรมการบรรยายไม่จบเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเออจะได้ให้ผู้ฟังคาใจไว้ว่าคําสอนของพระเจ้านี่มีมากมายแท้ที่จริงก็คือว่าผมผมเองก็ที่มาเนี่ยผมก็มาด้วยความชื่นใจชื่นใจตรงที่ว่า เวลามาที่แดนปรินิพานเนี่ยครับผมมาที่ไรเนี่ยผมจะมีปกติอยู่อย่างเวลามาะสถานที่ตรงนี้ผม <c oughs> ผมนอนไม่ค่อยหลับ <c oughs> เออมันเดินมันมันโทษของการมีข้อมูลหรือยังไงก็ไม่รู้นร <c oughs> คือถ้าเราเรามองในภาพในอดีตจากความทรงจำานี่นะมันเป็นประเขต่ใกล้จริงๆเลยนะไอ้คำว่าสัญญาไปเหตุใกล้ของสติเนี่ย เพราะมันจำเรื่องราวของคำพุทธเจ้าได้เยอะนะครับเฉพาะในเรื่องในหน้าที่ตรงนี้พอเราเดินไปหน้าที่ตรงไหนเนี่ยมันจะขนลุกวิดๆนะครับไม่ใช่ไปเยอะอะไรหรอกแต่ว่าผมก็พยายามไม่ค่อยอยากจะไปคิดแต่ถ้าคิดทีไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะดูไม่ค่อ ย, อยงามเวลาคิดขึ้นมาอะไรมันจะเห็นเรื่องราวที่เราศึกษาเราไขครัวนต่างๆมันจะผุดขึ้นมาในใจครับ เหมือนเดินไปที่ต่างๆเนี่ยเรารู้เนี่ยว่าบริเวณเหล่านี้ใช่ไหมประมาณเท่าไหร่กี่โยอผมนึกถึงตอนที่ท่านพระอานุน์ตอนที่ท่านท่านก็โศกเพราะท่านเป็นพระโสดาบันนั่นแหละในวันที่ประชุมนะครับวันที่21แห่งการถวายพระเพลิงเออแห่งการแจกพระบรมสารีริกธาตุวันนั้นท่านก็ประชุมสงฆ์ท่านพระมหากระสอบนี่แหละก็คัดเลือกจากสังฆเถรราชเนี่ยเจ 0,000 นลูก คัดเอา5้าร้อรูปหนึ่งในนั้นก็คือมีท่านพานนด้วยทั้งๆทงี่ท่านพานนเนี่ยยังเป็นพระผุุ้ชนเออขอไปยังเป็นพระโสดาบันอยู่ใช่ไหมครับหนึ่งในนั้นนะ่ะทีนี้ทีนี้พอพ อ, พอนั่นเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยพระามหากรสบอกว่าให้ท่านกลับไปบอกอุปชาอาจารย์ไปเกิดสุขาปไปดูไปทวัดวารามทั้งหลายเหล่านี้ไปบอกแล้วก็ ใครไปจำพรรษากันที่กรุงราชคลือเราจะไปทําปฐมสังคายนากันที่ถ้ำสัตบัตนครูหาภูเขาเวพาและบันพศใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มจาริกแยกย้ายกันแล้วก็มีพระอยู่กลุ่มหนึ่งที่รอญาติโยมที่มาทีหลังเพราะญาติโยมที่มาไม่ทันเนี่ยมาไม่ทันเผาบรมศพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้คอยปลอบโยนนะครับนั้นในในยุคนั้นน่ยมันก็จะเห็นภาพเหตุการณ์ที่ที่มัน ทุกคนมาก็มาด้วยใจดวงเดียวกันที่จะมาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนที่พวกเรามากันเนี่ยมาด้วยใจดวงเดียวกันด้วยความรักด้วยความเคารพด้วยความศรัทธาผมก็คํานวณเนี่ยผมผมเป็นนักคํานวณด้วยแล้วผมอ่านศึกษามาค่อนข้างพอสมควรด้วยเนี่ยจากนี้ไปสาวัตถีเนี่ยส0 0ร้อกิโลไอตัวสาวัตถีเนี่ยมีประชากรโตเมืองสาวัตถีไม่ไม่นับเมืองข้างนอก ประชากรก็ปลาก็าไปเจสิบล้านในเจ็ดิบล้านมีพระหอาหารตั้งห้ิบล้านห้าแ0 0เออขาไม่ใช่ผ้าหลังอาหาระ้าทิยาขอไผ่ที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่แล้วแล้ ว, ลวนอกเมืองอีกล่ะแล้วแค่กรุงราชคลีตัวกรุงราชคลีคก็ปลาเข้าไปแล้วตัวตัวเมืองหลวงก็ปลาไปก้าโกรดก็คือเก้าสิบล้านข้างนอกเมืองอีกเข้าอีกก้ง9้าโกรดรวมสิบแปล้านถามเป็นพผ้าริยาอีกเท่าไหร่ เวสาลีก็ภ้าริยะเท่าไหร่จากนี้ไปกรุงกบิลพัทก็ประมาณวิ่งรถสี่ชั่วโมงเนี่ยประมาณเนี่ยนะถามว่าทีน่นิโครารามผ้าผ้าระยะก็เยอะมากผมก็คำนวณว่าแล้วท่านเหล่านั้นก็ต้องระดมมากันที่นี่ใช่ไหมครับมันก็มองเห็น ทุกท่านก็ต้องมาที่นี่สังเกตได้ตอนที่ท่านพระนนทเดินกลับเมื่อครบ21วันแล้วท่านกลับพร้อมด้วยด้วยลูกศิษย์ของท่านเนี่ยผ่านญาติโยมที่กําลังทยอยมาเยอะมากญาติโยมก็ถามท่านพระนนบอกว่าข้าแต่ท่านพระนนผู้เจริญท่านพระนนเอาพระบรมศาสดาของข้าพเจ้าไปไว้ณที่ไหนเพราะงั้นพอถามอย่างนี้ท่านพระนนก็โศกก็ก็น้ําตาไหลก็ร้องไห้ ก, ก็ไม่รู้จะพูดยังไงปกติเนี่ยข้าพระองค์ข้าพออาระเจ้าเนีเห็นพระอนนก็เห็นพระธิดาเจ้าเห็นพระธิดาเจ้าก็เห็นพระอนางงานเพราะงั้นแต่ตอนนี้ตอนนั้นพระอนนท์ก็เอาจีวรเอาบ่าิคมพระศาสดาประชาชนก็รู้ข่าวว่าแท้จริงปริญญาผ่านแล้วเนี่ยก็โศกกันไปตามลําดับก็เดินทางก็จะเจอประชาชนเต็มไปหมดที่กําลังทยอยมาและที่เห็นได้ชัดตอนที่พระอนนทไปถึงสาวัตถีนะครับเข้าไปที่วัดเชตาวัน พอเข้าไปในะวัดล้างนะวัดทีนาถาปินิกาเสถีนะสร้างถวายไม่มีพระอยู่ประชาชนไม่มีก็อยู่ไปเห็นดอกไม้เหี่ยวเหี่ยวแห้งแห้งอยู่ที่พระคันนกคูดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพระอนุนเข้าไปไปปัดกวาดไปปัดกวาดไปดูแลไปก็ร้องไห้ร้องไห้นะครับว่าท่านพระอนนเนี่ยมีสติ ค่อนข้างแข็งแรงมากใช่ไหมก็ระลึกได้หมดก็ระลึกได้ว่าข้าแต่พระ อ, องค์ผู้จเจริญเวลานี้เป็นเวลาสงบทระากายแล้วเพราะท่านจะต้องเป็นผู้ทุน ร, รายงานตรงเนี้ยข้าแต่พระ อ, องค์ผู้จเจริญเวลานี้เป็นเวลาแห่งการให้พุทธบริษัทเข้าเฝ้านี่เทวดาอันนี้เป็นอุบาสกเข้าเข้าอุบาสิกาเอ๋ยเทวดาเอ๋ยพร้มเนี่ยเป็นเรื่องของพระอานนท์ที่จะต้องกล่าวท่านก็พูดลำพันท่านไปเรื่อยองเงี้ย ว่างั้นสัมพันธ์ไปอย่างเงี้ยเวลานี้เป็นเวลาเสด็จบิณฑบาตเวลานี้เป็นเวลาสงฆ์พระวรกายเวลานี้เป็นเวลาแห่งการแสดงธรรมว่างั้นพารณาคร่ำครวญไปอย่างเงี้ยจนในที่สุดน่ยจนขนาดว่าเทวดามาเตือนเลยนะว่าดูกว่าเออข้าแต่ท่านพระโนนว่างั้นก็ถ้าท่านโศกอยู่อย่างนี้แล้วใครละจะว่างั้นนะใครจะเป็นคนปลอบโยนพุทธบริษัรว่างั้น ท่านก็ได้ฟื้นคืนคืนคืนสติกลับมาเบียเศษแล้วท่านก็ท่านก็ถ่ายยานั่นแหละเพราะท่านไม่ได้ไม่ได้นอนมานานเลยเนี่ยอันนี้เราถ้าเรามองเห็นภาพอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าหนะ้าที่ตรงเนี้คนก็นานน่ยไม่ต้องอะไรหรอกแค่เรายือนอยู่ตรงนี้หรือบริเวณนี้ทั้งหมดไม่แน่นได้ไงถ้าคนกี่กี่สิบล้านกี่สิบล้านคน จากนี้ไปสารวนโนทยานจากนี้ไปมกุฏพันธนะเจดีและหน้าที่แจกพระบรมสารีเลขาธิการอันนี้ก็เป็นดงเป็นเป็นสถานที่เหยียบย่าของพระดยานบุคคลเป็นส่วนใหญ่เพราะงั้นทั้งพระอรหันต์ที่เป็นภิกษุภิกษุณีทั้งุบาสุกทั้งบาสิกาแล้วยิ่งวันที่21ก่อนที่จะมีการแจกพระบรมสารีเลขาธิารกันด้วยแล้วเนี่ยใช่ไหมกองทัพต่างๆเจเมืองใหญ่ๆที่มาล้อมอยู่เนี่ย ก็มีการมีการที่จะต่อสู้กันแล้วหนักเข้านักเข้าก็ที่โทณพามไปเจราจาตะโกนนั่นแหละที่เรียกโทนคันเชิดนั่นแหละประกาศแล้วก็ตอนโทนภามมาประกาศนาเนี่ยครับโทณพามเนี่ยต้องยกเรื่องชาดกมาตั้งสี่ห้าเรื่องยาวๆทั้งนั้ น, นบอกว่าท่านทั้งหลายท่านพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญคันติบรารมีพุทธเจ้าบําเพ็ญ ในพระชาติที่เป็นคันติวัตีดาโบทก็ไล่ประวัติออกมาว่าพระพุทธเจ้าอดทนไม่โกรธไม่ขัดแย้งกันไม่ทะเลาะ ก, กันสามคัคคีกันยังไงว่า ง, งั้นไม่โกรธไม่ประทุษร้ายแล้วตอนที่ธรรมปาลกุมารเป็นพญาช้างเฉดทันดูแต่และเรื่องยาวมากแสดงให้เห็นชัดว่าโทณพามซึ่งเป็นอาจารย์ของบรรดาบรรดาพระราชาเหล่านี้เคยสอนพระราชาเหล่านี้เอาเป็นที่เคารพเกรงใจแล้วก็กล่าวพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเนะพราะพระเพรา ะ, ระโทน คำเนี่ยเป็นพระนาคามีครับเป็นพระริย า, าบุคคลด้วยอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็ทําให้ผมคิดตรงเนี้ยแล้วก็มาที่ไรผม ก, ก็ก็ชื่นใจแล้วก็ทําให้ลึกซึ้งในคุณของพระุทธเจ้ามากขึ้นมากขึ้นนะครับดังผมก็เลยก็มาแบบแบบแบบสบายใจแล้วก็มาแบบมีความสุขแล้วก็มาเห็นพระธรรมทูตในครั้งนี้ผมก็ผมก็เออเห็น สนใจในการที่จะค้นคว้าศึกษาพระธรรมคําคสอนก็ขอตมวทนานฉะนั้นตั้งแต่วันแรกนะครับที่ผมมาบรรยายจนถึงวันนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอันบางตอนนะที่พูดผิดพลาดหรือใช้วาจาที่ไม่เหมาะอะไรต่างๆอะไรเนี้ยนะก็ขอขอขออโหสนะิทด้วต่อสงฆ์ต่อพระธรรมทูตไว้ด้วยมันอาจจะมีบางอย่างหรือบางคําพูดอะไรต่างๆอะไรเนี้ยนะอาจจะมีการหลุดจากคําสอนบ้างอะไรบ้าง ถ้าหากตรงไหนที่เห็นมุมว่าเออผมพูดผิดคําสอนก็ผมพร้อมรับฟังและจะแก้ไขนะครับพร้อมจะปฏิกรรมตัวเองนะว่าท่านจะเปลี่ยนแปลงถ้าถ้ า, ถ, าถ้าหากว่าเห็นมุมว่าตรงนี้ท่านกล่าวพระทําไม่เหมาะไม่สมไม่ตรงกับพระไตรปิฎกอัตถกาฎีกายยังไงก็ขอข อ, ขอให้บัณฑิตและก็พระธรรมทูต ท, ท, ที่ที่รู้เห็นอะไรต่างก็ช่วยเตือนและบอกตรงๆได้เลยผมนี่พร้อมผมจะชื่นใจมากนะครับก็ขออ้างอิงกับคุณของพระรัตนไตรนะครับ ตลอดถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมของคุณพระสงค์พระจริยาคุณของพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญมา20ประสงค์ข ย, ยิ่งด้วยแสนมหากับตลอดถึงคุณความดีทั้งหลายต่างๆด้วยอำนาจของพระสรีรคุณพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าจงเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนปกป้องคุ้มครองกระแสชีวิตของพระธรรมทูตและญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมฟังร่วมอบรมในครั้งนี้ จงเป็นผู้ที่พ้นจากโรคาพยาธินะครับแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคพระยันตอันตรายทั้งหลายดำเดินตามรอยบาทพระศ า, าสดาก่าวคือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละจนในที่สุดจริงๆก็ขอให้กระแสชีวิตของพระธรรมทูตและอุบาสกบาศิการและญาติโยมทั้งหลายและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนนะที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานนี้จงสา ม, มารถพัฒนากระแสชีวิตตนเองเดินตามศิกขาามของพระเจ้า เป็นปัจจัยต่อการได้มาซึ่งอนุปาทาผรินิพานคือการพ้นทุกข์โดยการทุกท่านทุกประการเถิดสาธุสาธุสาธุอนุมโมทามิครับขอโอกาสให้ท่านพระจักรพรรดิพระค์พระเวทีทางพระสารนะครับ